อาจารย์ครับกาลวัศการครับผมเจรอนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกาลอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิชาชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยแปดสิบสองนะครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการขออนุญาตพระอาจารย์เมื่อเช้าวินทบาทคนเยอะไหมครับหลังออกพรรษาแล้วก็สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดวันนี้อ๋อก็เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเข้าพรรษาแล้วอาจารย์เรพอมันพ้นกระถินแล้วคนก็เริ่มกลับมา<อ>เป็นปกติ กลับมาแล้วเพราะกระถินนั่นวันศุกร์วันวันสุดท้ายวันศุกร์วันร้อยกระทงครับเขาไมไม่ต้องไปเดินทางไปที่วัดโนงนัดนนี้เขาก็เลยกลับมาสายบาตตามปกติชัดเจนเลยครับอาจารย์อืมวันนี้คนรอฟังธรรมดุพันธ์สามร้อยกว่าคนแล้วครับอาจารย์ครับอโดยเฉพาะในติ๊กต็อกตอนนี้กําลังเจ็ดร้อยกว่าคนครับ อาจารย์ครับวันนี้ก็เลยกลับเรียนถามพระอาจารย์เรื่องปัญญาที่แท้จริงครับเพราะว่าพูดถึงปัญญามาหลายหนวันนี้ก็เลยขออาจารย์ขยความให้พวกเราได้ฟังครับกลับความ็ไม่ฟางครับผมคือปัญญาทางพระพุทธศาสนาท่านก็แบ่งไว้สามขั้นในกันขั้นที่หนึ่งก็คือเรียกว่าสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเริ่มเรียนฟังเทศทําธรรมอ่านหนังสือธรรมะ น, นี้เป็นการเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับวิธีของการดับทุกข์ก็คือพระอรยิยสัจสี่พระเจ้าทรงแสดงว่าความทุกข์ของเราความทุกข์ใจไม่สบายใจก็จากความอยากของใจอ ย, นนอยากได้นู่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็ทุกข์หรือถ้าได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์อีกถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็อย่าไปอยากได้อะไร อยาไปอยากมีอะไรก็ต้องต้องหยุดความอยากให้ได้นี้ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติทำนี่มันไม่มีกำลังหยุดคาำยะความอยากอันนี้ก็ขั้นที่หนึ่งยังดับความทุกข์ไม่ได้เพราะเรายังละความอยากไม่ได้ทุกคนเนี่ยที่ฟังทำอยู่เนี่ยรู้แล้วว่าเวลเาไม่สบายใจทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราแต่เราก็หยุดความอยากไม่ได้ บางรายใจเร า, เรายังทุกข์อยู่ทุกข์กับความเจ็บไายได้ป่วยทุกข์กับความตายอย่างเนี้เพราะว่าเราไม่อยากจะให้น่ากายเจ็บไายได้ป่วยเราไม่อยากจะให้น่ากายตายเราหยุดเราหยุดความอยากสองตัวนี้ไม่ไดออไ้อยู่ความอยากไม่แก่หยุดความอยากไม่เจ็บอยู่ความอยากไม่ตายไม่ได้ก็เลยทุกข์นนี้ปัญญาข้อที่หนึ่งยังเป็แต่เป็นการเรียนรู้ว่า เป็นทฤษฎีผลงา น, นรู้ทฤษฎีของการอาทุกเกิดจากอะไรแต่ยังไม่สามารถยำได้จากการฟังการการรู้เฉยๆอันนี้เราก็ยังทุกอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอยู่ความตายอยูนะ่นี่คือขั้นที่หนึ่งคือปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้แล้วก็มานํำสู่ปัญญาขั้นที่สองก็คือการค่ายควรพิจารณาอยู่เนืองเนืองว่าจินวจิตรมายปัญญา ก็ต้องคิดอยู่บ่อยๆคิดถึงอริ ย, รยสัจสี่บ่อยๆว่าความทุกข์ใจไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากถ้าอยากจะให้ความไม่สบายใจใหายไปก็ต้องละความอยากยากเครื่องมือที่จะละความอยากก็คือการปฏิบัติทำเจรานสตินั่งสมาธินี่นั้ขั้นที่สองก็ยังเป็นขั้นแบบว่าเพียงแต่ศึกษาทบทวนไม่ให้หลงไม่ให้ลืมสองขั้นนี้ยังไม่สามารถ ละความทุกข์ได้เวลาแก่ความทุกข์ใจขึ้นมาช่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมองดอกเป็นมะเล็งขั้นสุดท้ายใจก็อย่าทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่สามารถหยุดมันได้เพราะยังไม่สามารถหยุดความอยากต้นเหตุของความความทุกข์ใจความอยากไม่ตายถ้าอยากจะละความอยากให้ได้นี่เราต้องไปปฏิบัติ จเจริมามากกคือศีนสมาธิปัญญาปัญญาเราได้นะปัญญาได้จากการศึกษาได้จากการทบทวนนะแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือสีนสมาธิสีนก็คือสีแปดเด้อฉะนั้นต้องถึงสีแปดถึงเจะไปฝึกสมาที่ได้ดีถ้าถึงสีห้านี้มันจะสู้นิวร์ไม่ได้ชูกามาชันท่าไม่ได้เพราะสีห้าไม่ห้ามให้ดูหนังฟังเพลงไม่ห้ไม่ห้าม ให้รับประทานอาหารกินมือไหนกินกี่มือก็ได้ถ้ากินมากๆมันก็ทําให้ขี้เกียจง่วงนอนนั่งสมาธิไม่ได้ถ้าอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ไม่มีกระดาษที่มานั่งสมาธิแต่ถ้ามาถือสินแปดเนี่ยสินแปดจะห้ามกิจกรรมเหล่านี้ห้ามดูห้ามดูมเพศไม่อนอนกับใครห้ามดูหนังฟังเพลง หามกินอาหาตามความอยากกินได้แค่ไม่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วเนี่ยคือวาตรการที่จะช่วยสนับสนุนให้เรามีเวลาไปเจริญสตินั่งสมาธิพอเราถือสินป่าได้เราก็ไม่ไปมีกิจกรรมทางตามารมณเราก็มีเวลาว่างสาหรับการเจริญสติเดินโยมนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืน ถ้ปฏิบัติ น, นี้อย่างต่อนนี้ไม่ขาดตอนแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิไนดะ้แล้วจิตแล้วจิตมันเข้าสู่สมาธิจิตกันิ่งสงบเพราะจิตนิ่งกิเลตัณหาที่ใช้จิตเป็นเครื่องมือก็ทํางานไม่ได้กิเลสตัณหาที่ใช้ความคิดความอยากที่เใช้ความคิดเห็นขนมก่อนเห็นขนมก็อยากจะกินขึ้นมาพอไม่คิดถึงขนมไม่เห็นขนมความอยากก็ไม่เกิด ดังถ้าเราหยุดทำสมาธิทำจิตรวมให้เป็นหนึ่งให้ให้นิ่งได้เราจิตก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้พอเรามีสมาธิแล้วนี่เราก็เอามาใช้เวลาที่เราเจอความทุกข์แล้วเช่นกับไปหาหมอหมอก็บอกว่ายัางยังต้งขั้นที่สี่อยู่ยังรากษาไม่ได้แต่เรามีปัญญาแล้วเราเรีนรู้ว่าร่างกายเป็นของไม่เทีย่ยว อยากให้มันไม่ตายไม่ได้มันต้องตายเป็นธรรมดาความอยากไม่ตายถ้าเราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากถ้าเรามีสมาธิเราก็หยุดได้ทำใจเฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้คือผู้เบกขาพอมื อ, อเบกขาเอาใจวางเฉยนับได้ทั้งสองลูปแบบตายก็ได้อยู่ก็ได้ความอยากที่ไม่ตายมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีม ถ้าอยอมรับความตายได้พอยอมรับความตายได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไม่ตายมันก็จะหายไปอันนี้คือปัญญาที่เป็นปัญญาที่แท้จริงต้องเป็นปัญญาที่มีความรู้ที่ไม่หลงไม่เลือนที่เราจดจําพิจารณาอย่างชัดเจนว่าทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองาการที่จะหยุดควาทุกข์นี้ได้าต้องหยุดความอยาก และการจะหยุดความอยากได้มัต้องมีสิสมาธิปัญญาเราปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาเราก็มีจิตก็มีกําลังอุเบกขาอุเบกขาที่จะปล่อยสอนใจให้วางเฉยอย่าไปยึดไปติดอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่ตายยาวรับความจริงถ้าจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้ามันยังอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปพอใจทำพอปฏิบัติสมาธิเยอะๆใจก็จะวางเฉยได้เนี่ เพราะร่างกายจะตายเจ็บคไข้ในป่วยจะตายเราทาใจเฉยๆไม่ทุกกับมันได้แต่ห้ามความตายไม่ได้อยู่ดีแต่ห้ามความทุกข์ได้เพราะความตายอยู่ภายใต้กฎอนิจจังนั่งการมันกฎอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปเป็นธรรมดาแต่ความทุกข์ของใจนี้เกิดจากตาั้หาความอยากอยากไม่ตายเราหยุดความทุกข์อันนี้ได้ด้วยการ ด้วยการฝึกสมาธิให้จิตมีกําลังเป็นอุเบกขาให้วางเฉยให้ได้แล้วก็ใช้ปัญญามามาสอนใจว่าต้องต้องมีุดความอยากต้องละความอยากต้อยอมรับความจริงพอมีอุเบกขาก็อยอมรับความจริงได้วางเฉยได้ใจก็ไม่ชุกกับความตายอันนี้เป็นปัญญาที่ยับความทุกข์ได้ต้องเป็นปัญญาขั้นขั้นที่สามนี้ชี้ยกตัวอย่าง การแสดงธรรมทัของพระเจ้าธรรมจกักรท่านแสดงให้ ก, กับพระบระจรวคีทั้งห้าลูปพระบรรจรวิคีทั้งห้าลูกนี้ท่านได้ฌานนได้สมาธิล้วยท่านพร้อมที่จะมีเครื่องมือที่จะหยุดความอยากพีกนะท่านไม่รู้ว่าความทุกข์ของท่านเกิดจากความอยากของท่านพอพระเจ้าแสดงอริยสัจ ส, สีให้ฟังว่าเความอยากของคุณอย่างไม่ตายเนี่ยทําให้คุณทุกข์กันถ้าคุณหยุดความอยาก ยอมรับความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงยังไงยังไงก็ต้องตายเกิดมาแล้วก็ต้องตายฝืนไม่ได้พอยอมรับความจริงได้ไม่ฝืนไม่มีความอยากที่จะให้มันไม่ตายได้ความทุกข์ก็หายไปความยานก่อนทัญยาท่านเข้าใจท่านกบรรุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาด้วยความเห็นมุลยกตายเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา สิ่งที้เกิดขึ้นธรรมดาก็คือก็คือร่างกายนี่เมื่อมันเกิดขึ้นมามันก็ต้องตายเป็นธรรมดาห้ามมันไม่ไดาเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่มีภายใต้การควบคุมบังครับของใครพระอัญญากอณัญญก็เลยบรรลุเป็นพระโสดา์บรรไม่กลัวตายยอมตายไม่ทุกข์กับความตายอนนี้ก็คือปัญญาขั้นที่สาม ภาวนาเมยะปัญญาต้องมีทั้งความรู้ที่ทได้มาจากสุตตะเมยะปัญญาและจินตามยะปัญญาประกอบกับสมาธิสมัทาภาวนาเนี่ยปัญญาขั้นที่สารยังมีชื่อคําว่าภาวนาอยู่ด้วยต้องภาวนาต้องทำงานสมัทภาวนาให้ไดุ้เบกขาพอไดุ้เบกขาแนละ้วทีนี้ก็วางเฉยได้แล้วพอพิจารณาได้ปัญญาว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายเป็นธรรมดา ก็ล็ตกไไม่ไปฝืนฝืนไปก็ยุก็ห้ามความตายไม่ได้อยู่ดีอยากไปจนวันตายความตายมันก็ตายอยู่ดีแต่มันจะทุกไปจนวันตายทุกไปเรื่อยๆการมาเกิดกี่ภพกี่ชาก็ต้องมาทุกกับมันอยู่เรื่ อ, ๆอยๆแต่นั้นยอมเล่าความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดายอมเับาความจริงดับก็ให้มันดับไป ใจราก็ไม่ทุกข์เหมกันนี่แหละคือการดอดทนจากความทุกข์ด้วยปัญญาต้องมีทั้งปัญญาแนละสมาธิถึงจะอดทนได้ปัญญาอย่างเดียวสุตตามิยะปัญญากินตาไมยปัญญาอย่างเดียวไม่มีกําลังของสมาธิสนับสนุสนดับไม่ได้อย่างนั้นในการแสดงความสำพันญระหว่างศีล ส, สมาธิปัญญาผู้จ้ากระสงแสดงว่าศีลเป็นเครื่องสนับสนุนให้เกิดสมาธิ ถึงสิ่งแปะันจะช่วยทําให้เราไปปฏิบัติสมาธิได้น่าสมาธิก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้ปัญญาให้ทนปัญญาทําหน้าที่ของปัญญาได้ก็คือละกิเลสละความอยากจิตที่มีปัญญาสนับสนุนก็จะเป็นจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวสิ่ลสมาธิปัญญามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างนี้ ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับแต่ว่าความรู้สึกก็คือว่าเวลาแค่ฟังธรรมเราก็ได้สุดตรามัญญปัญญาใช่ไหมครับหือบางทีเรกได้ฟังอย่างฟังพระอาจารย์เนี่ยความทุกข์มันก็รู้สึกว่าในช่วงนั้นมันเบาบางไปทำให้ถูกไล่ถอนคนชื่วยอยู่ที่กำลังของสมาธิของเราแต่ละคนมีกำลังสมาธิไม่มากน้อยไม่เท่ากันนบางคนมีชัดแต่ยังไม่ถึงขั้นโอเบคาหรือมีออเบคาแต่ยังไม่เต็มร้อยอีกนิดหนึ่ง แต่และคนอาจจะมีอุเบกขามากน้อยต่างกันบางคนลังเฉยในเรื่องเรื่องต่างๆได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่ากันคนที่เรียนหมอเ น, นี่ยน่าจะมีอุเบกขามากเพราะต้องดูผ่าศพได้ครับถ้าคนไม่มีอุเบกขาดูผ่าศพแล้วมันจะเกิดอาการขึ้นมาแพ้ขึ้นมาได้อาจจะเกิดเป็นลมขึ้นมาบางคนก็เป็นลมบางคนก็อยากจะเจียนมันแสดงว่าอุเบกขาไ ม, ไม่มีกำลังไม่พอ คนที่เป็นหนันี้เขาไม่กล้าไปเรียนหมอแล้วเข า, าเขาเรียนไม่ได้คนที่จะเรียนหมอต้องมีความกล้ามีความจิตต้องแก่พอที่จะวางเฉยกับสิ่งที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าดูน่าชมได้อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่ายังอาจจะถ้าบางคนอาจจะฟังปุ๊บแล้วก็ปล่อยวางได้ก็มีก็ถือว่าเป็นเหมือนพระอัญญาณกุลทัญญาหรือชาติก่อนอาจจะได้มีสมาธิมาแล้ว กล้มันติดลายอยู่ในชาตินี้โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นสมาธิแต่แต่รู้ว่าตัวเองเป็นนิสัยใจเย็นว่าเป็นอเบกขาไม่วุ่นวายกับใครไม่เดือดร้อนอะไรกับใครพอพิจารณาเนี่ยศักดิีพิจารณาเรื่องร่างกายก็รับได้อยอมรับความจริงได้ก็ไม่ทุกข์กับความความตายไปหาหมอหมอหลอกไปมาเลยก็ไม่เดือดร้อนอะไร ถ้าไมมีบางคนไปถามหมอป้าปองเพราะได้ครับว่าเป็นอะไรนียหัวใจหยุดกับจะหยุดเต้นเลยแสดงว่าเป็นอยู่แบบนี้มีแรงตอ่อแรงต้านแรงของความอยากความอยากอยู่มันทำให้ทุกข์มากถ้ามัรู้ว่าเราจะต้องตายเนี่ยบางทีวุ่นวายมากๆนั่งคิดถึงความตายความวุ่นวายมันก็เบาลงไปเยอะนะครับอาจารย์แต่มัน อ, อยู่ดี มือนเรามันไม่มันไม่หายมันไม่หายแบบลาบคาบไม่ใช่แบบถอนราบถอนโคนเดี๋ยวมันพอหายแล้วมันก็กลับไปใหม่ไม่เก็ดไม่เก<อ>็ตกลับไาฮะเรื่องต่อเอ ง, ต, องต้องให้ถึงภาวนามาถปัญญาให้ได้ไอย่างนั้นก็ถึงขั้นเห็นเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไปบวชก็ได้อย่างว่ามอุตต้านะครับตั้ง ท่านมีโอเคขานในตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยท่านคิดชาติก่อนท่านเคยฝึ ก, กสตินั่งสมาธิจิตดวงได้พอชาตินี้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย ป, ปรรั๊บเราเล้อดละอยู่ไปก็ไม่ไปประโยชน์อะไรต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วต้องทุกกับมันเพราะถึงมจะมีสมาธิแไม่รู้ว่าเหตุที่เกิดจากความทุกข์มันเป็นความอยากก็ยังดับความความอยากไม่ได้ ดับความทุกข์ไม่ได้อยู่ดับได้ก็เพียงหลบเข้าไปในสมาธิตท้งเดียเวลาทุกข์ก็เข้าไปสมาธิตแต่พอออกมาพอเห็นร่างกายที่เจ็บไายได้ปวดมันก็ยังทุกข์อย่นี้แต่ถ้ามีปัญญาแล้วที่ทุกข์ก็อยากให้ร่างกายมันหายเจ็บอยากให้ร่างกายไม่ตายแต่ความจริงมันมันไปไม่ได้ร่างกายมันต้องเจ็บมันต้องตายพอยอมรับว่ามันต้องเจ็บต้องตายยอมรับมันต้อง หยุดความอยากไม่เจ็บหยุยความอยากไม่ตายแล้นความทุกข์ก็จะหายไปขอบคุณพระอาจารย์ครับเมื่อสักคู่ก็มีท่านหนึ่งได้บอกว่าขอกําลังใจเพราะว่าได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะไปฉายแสงครั้งแรกครับพระอาจารย์อก็ใช้ปัญญาว่าข้อหนึ่งของร่างกายมันไม่เที่ยงเราต้องยอมรับความจริงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา สองมันไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นอนําตาเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากดินน้ําลมไฟธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟมารวมตัวกันเพื่อมาสร้างอาการทางสิบสองวัตถุเ ด, ดียบของร่งางกายก็คือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟนี่มันเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีวัตถุวัตถุนีวัตถุเ ด, ดีบที่เราสร้างบ้านมีปูนมีทรายมีเหล็กมีไม้มีน้ํามีอะไรมาผสม เราก็สร้างเป็นบ้านขึ้นมาร่างกายมีอาการทับสองขึ้นมาได้ก็ต้องมีวัตถุดิบวัตถุดิบก็คือธาตุสี่ดินน้ําลมไฟที่เราเอาเอาข้าร่างกายเรื่องต้นก็อยู่ในร่างกายของพ่อแม่อาศัยดินน้ําลมไฟที่อยู่ในร่างกายพ่อแม่สร้างร่างกายของเราขึ้นมาพ่อมาจากท้องแม่แล้วก็ต้องเติมเองเติมลมเองหายใจเองเติมน้ําเองดื่มน้ํากินอาหารเองเอาธาตุดินก็ ธาตุไฟก็ต้ออาศัยความร้อนของแสงอาทิตย์และความอุณภูมิของของห้อที่เราอยู่อาศัยอาศัยเสื้อผ้าไว้คอยป้องกันไม่ให้อุณภูมิหายไปไม่ให้ความร้อนหายไปเร็วร่างกายถึงอยู่ได้มันเรื่องระบบธรรมชาตินร่องการระบบของท่านุสี่น้ำหน่วงไปไม่มีตัวเราของเราเราผู้รู้จิตผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นเพียงแต่มาครอบครองมันมาเชื่อมตัวจิตกับ ร่างกายผ่านกระแสวิญญาณทั้งห้ากระแสเป็น ญ, ญานทางตาหูจมงงูกนิ้วกายมาต่อะที่ตาจมจมูกนิ้นกายเพื่อรับรู้เสียงกลิ่นรดเข้าไปเสพแต่เนี่ยแล้วก็ใช้ความความคิดเป็นตัวสั่งการให้ให้ร่างกายเคลื่อนไหวให้ร่างกายทาอะไรต่างๆแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้อยู่ในร่างกายเมล่อร่างกายตายไปเราไมไ่เราไม่ได้ตายกับร่างกายจิตผู้รู้ผู้คิดนี้ยังอยู่ต่อไป คิดอย่างนี้น้าจิตจะไม่ทุกข์ก่อนถ้าทุกข์ก็ใช้สมาธิจะได้ความหลัยังหยุความอยากไม่ได้ก็ต้องใช้สติพุโทโธพุโทโธนั่สมาธิให้หยุดคิดได้หยุดคิดหยุดคิดได้ก็หยุดอยากได้มีคำถามบอกว่ายาณกับปัญญาต่างกันอย่างไรครับก็ยานก็คือเป็นผลที่เกิดจากการใช้ปัญญา ยาอย่างรู้คําว่ายาเราเป็นการอย่างรู้ว่าเช่นคุณหมอไม่สบายนี่เพราคุณหมอกินยาพอกินยาเสร็จโรคหายโรคภัยหายไปคุณหมอก็มียาอย่างท ร, ร, ราบหรรู้ไดว้ว่าออก่างกายอาการเจ็บไข้ได้ปวดได้หายไปแล้วคือคําว่ายาการอย่างการการับรู้รับทราบอย่างรู้การอย่ยางรู้นี่คือยาเช่นเรา เราทุกข์ใจเกี่ยวข้อเรื่องความเก็บความตายพอเราพิจารณาด้วยอริ ย, รยสัจ ส, สี่เห็นว่าทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราหยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปก็เกิดญาณขึ้นมามิเขาเรียก ว, วิมุตติญาณนะทัศนะญาณที่รับทราบแล้วว่าทุกข์ของใจได้หายไปแล้วอย่างพระอัญ ญ, ญากรทัญญาท่านได้ญาณแล้วอย่างรู้แล้วว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่มดับไปธรรมดา ทุกที่เกี่ยวกับความไม่เห็นความจริงอันนี้ก็หายไปเพราะท่านเห็นความจริงแล้วก็อยอมรับความจริงได้พระเจ้าถึงตัดไว้ในตอนท้ายของธรรมจากว่าอันญานโกนทะยานเธอรู้แล้วหนอเธอรู้แล้วหนอพอรู้แล้วหนอคืออย่างทราบได้เกิดญาณนี้ขึ้นมาแล้วจะบอกเพื่อนเพื่อทางทิกต็อกว่าส่งคําถามก็ามาได้แล้วนะครับ หลัถานเมื่อเรานั่งสมาธิไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนิวรเกิดขึ้นบางครั้งง่วงนอนบางครั้งเหน็บชาเราควรทําอย่างไรกับนิวรเพื่อให้การนั่งสมาธิก้าวหน้าครับก็เราก็เปลี่ยนถ้าเรายังทนนั่งต่อไปไม่น่าเจริญสติเช่นบริกรรพุทโธแล้วนั่งต่อไปถ้าทําได้ก็นั่งต่อไปพอเกิดนิวรณ์เราก็ต้องใช้สติขึ้นมาแก้กันเลยทงบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไป พนมีการบริกรรมพุโทโธจิตก็จะในสติพอมนสติจิตก็จะหายมัว่วแล้วมันสามารถนั่งต่อไปได้เช่นเดียวกับมีเน็บช้าก็พุโทโธพุโทโธไปแสดงว่าอาการเหล่านี้มันเกิดจากจากการที่เราสติเราขาดสติเราอ่อนกําลังพอสติไม่มีกําลังจิตมันก็เลยไปรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เราก็ดึงจิตให้ออกจากเรื่องราวเหล่านี้ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธ มีเจ็บให้กับเข้ามาเป็นผู้รู้เฉยๆปล่อยให้อาการเจ็บเป็นประการเรื่องของเขามันไม่ได้ของร่างกายของของของร่างกายพอเจ็บในสติจิตก็เนื่งสงบนําต่อไปได้ถ้านั่นไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินโยกกองแทนก็ได้สลับกันถ้าเสพกำลังสติของเราไม่พอที่จะสู้กับนิวรณ์ก็ลุกขึ้นมาเดินจบกกองแทน ลางทีมันมันก็เดินไม่ไหวถ้ามันง่วงมากๆนี่ยความง่วงมันก็ทําให้เรานี่ไม่อยากจะเดินอยากจะนอนอย่างเดียวแต่ถ้าเราฝืนจริงๆใช้ใช้สติคอยเดินมันสู้กับมันเนี่ยพอสติชนะปั๊บเนี่ยความง่วงหายไปเลยจิตตื่นขึ้นมาเลยเหมือนกับ้อหายง่วงหมายถคนที่ได้ไปดับนอนตื่นขึ้นมาในสติมันถ้ามันมีกําลังมากไม่แต่ความง่วงเนี่ยมันก็มันก็แก้ได้ การสวดมนต์เป็นประจำช่วยอะไรได้บ้างครับเป็นการฝึกสติเวลาสวดมนต์เราก็ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นการฝึกใช้ใช้สติเพื่อ ย, ยับยั้งความคิดแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิว่าจะทำให้จิตนิ่งได้ถ้ามีสติถ้านั่งแล้วไม่มีสติจิตคิดไปเรื่อยๆจิตก็จะไม่มีวันนิ่งแต่ต้องสวดเยอะๆไม่ใช่สวดแค่5นาทีสิบนาที วันนี้ต้องสวดทั้ ง, งชั่วโมงไปเลยอย่างนี้เราถึงจะเห็นผลต้องทํามากๆถึงจะเห็นผลถ้าทําแค่ห้านาทีสิบนาทีนี่มันผลยังไม่เกิดคุณสมพรครับโยมทํางานผิดพลาดอีกแล้วมีความทุกข์ทางจิตใจไม่เบาต้องใช้ธรรมะข้อใดดีครับก็ทุกข์เกิดจากความอยากของเราเนี่ยเราไปหาหาความอยากว่าเป็นอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไร ทำให้เราทูกใจขึ้นมาการวางจิตเจริญเมตตาต้องทำอย่างไรครับคือการเมตตาเนี่ก็เป็นการเป็นการสอนจิตให้เรามีการรักความรักนี่หมายถึง ม, มีมีความเป็นมิตรกับทุกคนให้รักให้รักทุกคนเหมือน ร, รักตัวเราเอง ทุกคนก็อยากจะมีความสุขกันแล้วก็ให้ความสุขกับคนผู้เชน่นเรามีอะไรแบ่งปันกันได้แจกกันได้ก็ไปแจกกันพอแจกแล้วคนก็มีความสุขอย่างวันเกิด น, นี่ยถ้าผ่า น, านมาญาญโยคนก็ทำลอบเกตมาให้แจกโอ้คนมาขอกันได้รับไปกันแล้วเขาก็มีความสุขกันครับอยกก่การได้รับลอบเกตไปอันนี้ก็เป็นการให้ความเมตตาต่อกันแล้วกัน ให้ความสุขต่อกันนอกจากให้ความสุขแล้วยังต้องให้อภัยกันด้วยเวลาเราโกรธกันก็อย่าไปอาฆาตพยบาบาทอย่าจองเวรจองกรรมกันต้องให้อภัยกันถ้าให้อภัยได้ความเป็นมิตก็ยังมีอยู่ต่อไปแต่ถ้าให้อภัยไม่ได้มิตรก็จะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาทันทีแล้วก็เวลาทําอะไรก็อย่าไปทําให้พูดอืต้องเสียให้เดือดร้อนนี่คือความเมตตา อย่าไปทำร้ายน้ำใจและจิตใจของผู้ mm hmm. นี่คือสี่คุณลักษณะของการมีความเมตตาคือให้ความสุขกับผู้ไม่จองเวรจองกรรมอาฆาตพยาบาทไม่ไปเบียดเบียนไม่ทําให้ผู้ผู้เขาเสียหายเดือดร้อนจากการกระทําของเราและไม่ไปทําร้ายน้ำใจและจิตใจของเขาบอกเกตนี่แป๊บเดียวหมดเลยไหมครับ อ, อ, อาจารย์หมเลย พอแยงกันใหญ่ไม่รแบบู้มือบาดืีมาข อ, อ, อมันเลยทั้งันเลยอยากจะขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับจริงๆแล้วธรรมะคืออะไรครับผมเห็นตอนนี้หลายคนถกเถียงกันเยอะครับก็จะเคยอธิบายแล้วธรรม ะ, ะนิยามธรรมะตัวตัว ตัวหลักก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในพระรัตนนาฏาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ยธรรมะก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ธรรมะก็มีใช้ได้ในหลายหลายความหมายนอกจากคําสอนอพระเจ้าแล้วก็หมายถึงสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เราก็เรียกว่าเป็นธรรมได้หเช่นสภาวะธรรมร่างกายนี้ก็เป็นธรรมอย่างหนึ่ง ภูเขาต้นไม้ก็เรียกว่าเป็นธรรมได้เหมือนกันเป็นธรรมเพาว่าเป็นธรรมก็คือเป็นสิ่งเป็นสิ่งเป็นสิ่งงนนก็ท่น า, ธธ า, า, นานั่นนะเกิดเวาท่านพูดสัพเพธรรมะอนัตตาใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สัพเพหมายถึงทุกอย่างธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้เป็นอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาไม่เปนตัวตนนี่คือธรรมะ คนที่เป็นซึมเศร้าจะแก้ไขได้อย่างไรดีครับก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้เพราะความซึมเศร้าเกิดจากความอยากอยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็เสียใจเศร้าใจพอพอไม่ได้บ่อยๆเข้ามันก็เลยเกิด ก, การซึมเศร้าไม่มีความสุขใจยังฝึกสตินั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วจิตจะมีความสุขใจขึ้นมาแลอาการซึมเศร้าก็จะหายไป อันนี้ขั้นายากขั้นง่ายขั้นง่ายหน่อยก็ไปทําความดีเนี่ยทาคุณประโยชน์ให้กับสังคมไปเป็นจิตอาสาพอเราทําคุณประโยชน์ทําให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วก็มีความสุขขึ้นมาในใจเราอาการเสื่อเศร้ากสา็สามารถหายไปได้คุณหมูกระทาครับบอกว่าทุกใจเหลือเกินเรื่องการสูญเสียคนที่รักที่สุดไปตลอดชีวิตต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะทุเลาลงครับ ก็ความทุกข์องเรากเกิดจากความอยากของเราอยากไม่ให้ร่างกายของคนที่เรารักตายไปร่างกายของเขาเหมือนกับร่างกายของทุกคนเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้แต่เราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเองเราก็เลยทุกข์ใจเราต้องมองความจรงิงและยอมรับความจรงิงหยุดความอยากให้เขาไม่ตายต้องยอมรับว่าเขาต้องตาย การพ บ, บปาการค้ารู้จักกันในโลกนี้เป็นการไม่รู้จักกันเพียงชั่วคราวนั่นเองเพราเรานี้เป็นเหมือนกับคนที่เดินทางแล้วเวลาเราไปขึ้นเครื่องที่สนามบินแล้วก็จะพบคนนั้นพบคนนี้แต่เดี๋ยวพอถึงเวลาเราขึ้นเครื่องเราขึ้นของเราไปนะคนที่เราพบที่นั่นเราก็ไม่รู้เขาไปไหนต่อนะร่องนี้ก็เหมือนสนามบินเนี่ยคนที่เราพบปากก็เหมือนคนที่เราพบบนสนามบินเดี๋ยวันหนึ่งเขาต้องขึ้นเครื่องของเราไป พอจากลุงนี้ไปคก็หมายถึงว่าเครื่องไปของเขาถึงเวลาออกนะเพราะว่าขึ้นเครื่องของเขาไปแล้วต่อไปแล้วเราก็ต้องขึ้นเครื่องของเราไปแล้วไปลงข้างหน้ากันจะไปเจอกันหรือเปล่าเพราะเพราะไม่รู้ว่าจะไปไปไ ป, ไปที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเราต้องทําใจว่าการพบปะกัการเจรจากกันนี่เป็นของชั่วคราวอย่าไปอยากให้มันเป็นของถาวรจะต้องเจอกันพบอยู่กันไปตลอดไม่มีมัน่พักจากกัน ความอยาก น, นี่แหละที่ทําให้ใจเราทุกขถ้าเราเห็นความจริงแล้วก็เราก็จะไม่อยากว่าจะต้องเจอกันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดเพราะรู้ว่าเปินไปไม่ได้เราอยู่ในโลกของการยึดจับไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนถาวรปัญญาที่แท้จริงคือการหยุดคิดใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอก ปัญญาที่แท้จริงก็ปัญญาที่สามารถเอามาละความอยากได้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่มีกําลังที่จะสามารถหยุดความอยากได้เมื่อรู้แล้วว่าความอยากจะนําไปสู่ความทุกข์อย่างนั้นสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากให้ร่างกายไม่ตายเน่างกายเป็นเแบบอนิจจังทุกขังอนัตตาพอไปอยากให้มันไม่ตายเหมันก็ยัดมันก็ทําให้มันไม่ตายไม่ได้มันก็ต้องตายอยู่ พาบรรไดก็ทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาเอ็ปัญญาก็ต้องคือปัญญาต้องรูออ้ญญความจริงของสภาวะทางทั้งหลายว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ต้องถ้าจะหยุดความทุกข์ใจให้ให้ความทุกข์ใจหายไปนีก็ต้องมีสมาธิมาเป็นผู้สนับสนุนปัญญาถึงจะหยุดความอยากที่เป็น้อนเห็นของความทุกข์ใจได้คุณดิมโพครับ การเจริญกรรมฐานอาหารเรปฏิกูลสัญญาควรทำอย่างไรครับก็ให้นึกถึงอาหารที่มันเข้าไปในปากเราเวลาเราอยากกินอาหารเรามักจะคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานใช่ไหมคิดถึงภาพที่เขาถ่ายมาให้ดูพิซซ่าที่เขาโฆษณาในจอโทรทัศน์เนี่ยเห็นแล้วน้ําลายไหลทันทีเลยอยากจะกินให้นมาทันทีแต่ถ้าเราพิจารณาเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายแล้วมันรูปหน้าหน้าตามันเปลี่ยนไปแล้วเวลาที่เราเคี้ยวเรา ผสมกับน Denmark, ้ำลายที we Поэтому, we him, like ่อย so <was> ู okay. so like that, like 蜑蜑่ในปากเราถ้าเราคายออกมานี่เราจะไม่อยากกินนะเห็นเห็นหน้าตามตอนที่มันอยู่ในอยู่ในปากล้วแล้วเราพอคายออกมาแล้วเราพอเห็นันแล้วเราก็จะไม่อยากกินให้นึกถึงภาพเหล่านั้นภาพที่มันอยู่ในปากเราภาพที่อยู่ในลาไส้ภาพที่มันออกมาจากทวารหนักก็เป็นอาหารนั้นแหละเป็นแต่ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปรูปของมันไปอย่างหน้ากินกลายเป็นไม่น่ากินขึ้นมา นี่เคยพิจารณาความเป็นปฏิกูลความสะกะปรกของอาหารความไม่น่าดูน่ากินของอาหารรู้อริยสัจสี่รู้มรรคแรู้ขันห้าแต่ทําไมเวลาคนทําไม่ดีใส่รู้สึกไม่พอใจอยู่ครับเพราะยังไม่มีกําลังที่จะเอาที่เอาความรู้นี้มาใช้คันความทุกข์ของใจความไม่พอใจของใจ เราไม่มีสติไม่มีไม่มีสมาธิที่จะหยุดเราต้องมาฝึกสติฝึกสมาธิทำจิตให้รวง่าเป็นโอเบกขาให้ได้พอจิตเป็นเบกขาแล้วที่นี้เห็นอะไรก็เฉยก็วางเฉยได้จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนที่ทำงานที่ท็อกซิกได้อย่างไรดีครับที่เราจะทำให้เราสามารถรักษาใจของเราให้มีความสุขพร้อมกับทำงานได้อย่างมีความสุขครับ ก็เหมือนเราอยู่กับพลไมชนิดต่างๆเนี่ยเรามีกล้วยมีส้มมีอะไรเงี้ยคนก็เหมือนพลไม้เมีหลายรูปแบบบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นสับปะรดเนี่ราจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้กล้วยก็ต้องเป็นกล้วยสับปะรดก็ต้องเป็นสับปะรดคนที่เป็นทักศิกก็ต้องเป็นทับศึกเราก็ปล่อยก็เป็นไปท่านหนึ่งแล้วก็อยู่ส่วนของเราเขาก็อยู่ส่วนของเขาไป อัญหาคือเราอยากจะให้เขาไม่ท็องสิกเราถึงจะอยู่เราถึงมีความรู้สึกว่าบังเกียดเขาอยู่กับเขาไม่ได้เพราะอยากจะไปเปลี่ยนเขาเราต้อยอมรับความจริงว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเราได้เป็นความเห็นทัศนคติของเราได้วางห้าให้ว่าเขาก็เป็นเหมือนเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่เราต้องต้องอยู่อยู่กับมันไปเท่านั้นเอง เขายอมรับได้ว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นไปแล้วแล้วก็หายทุกอย่อยู่กับเขาได้คนที่นอนแล้วไม่ตื่นจิตเขาจะไปไหนครับก็ไปตามอํานาจของบุญของบาปที่เขาทาไว้ถ้าอํานาจเป็นของบาปพาไปก็ไปไปเกิดในอาบายไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรกหรือถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์ในราชา ถ้าบุญพาไปก็ไปเป็นเทวดาเป็นพรนเป็นพระแล้อริยเจ้าไปนิพพานคุณมานกครับปฏิบัติอย่างไรจะได้เข้าถึงที่สุดของปัญญาครับเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสือปฏิบันโนอต้องไปบวชแล้วก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนั่นจะตื่นจนหลับจันทร์สตินั่งสมาธิจนันทปัญญาสามตัวนี้ ถ้าทำได้เต็มที่แล้วก็จะถึงที่สุดของปัญญาพอมีปัญญาขั้นภาวนามนยปัญญาแล้วก็จะสามารถละความอยากต่างๆได้หมดทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีในใจหายไปหมดจากใจไม่นำกลับมาเว้นว่าตายเกิดรีบตอบไปการที่เราฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆมีความรู้สึกสัน่นตัวสัน่นเขาเรียกว่าปิติหรือเปล่าครับกมรู้เหมือนกัน เปนสัตวได้หลายรูปแบบเลยกับบางคนนั่งแลวเขาเข้าทรงเข้าเจ้าก็มีนั่งแบบเข้าทรเข้าเจ้าก็ตัวสั่นขึานก็ ม, ม, กมีอันนี้เป็นเป็นการแสดงการของการการของจิตที่ไม่มีสติมากกว่ า, พ, าพอจิตไม่มีสติเพราะไม่ไม่มีสติควบคุมจิตมันก็สามารถเล่นอะไรต่างๆได้แสดงอะไรต่างๆออกมาได้แต่ถ้ามีสติคอยควบคุมมันก็จะนิ่งเฉยๆอย่างเดียว คุณเป๊บครับถ้าจเจริญส ม, ม, ะถะมถกรรมฐานเอาสาติมาจับลมหายใจไม่ชัดเจนเปลี่ยนมาภาวนาพุโทโธที่ศูนย์กลางกายได้ไหมครับได้แต่ควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะพุโทโธก็ไม่ต้องอยู่ที่ตรงไหนไม่ต้องอยู่ที่กางกายอยู่ที่คำว่าพุโทโธอย่างเดียวไม่ได้เอาพุโทโธไปวางไว้ที่กางกายเพราะพุทโธไม่ได้อยู่ที่ที่กายมันอยู่ที่ใจอยู่ที่การบริกรรมของเราให้อยู่กับคําบริกรรมอยู่ที่พุโทโธให้นึกถึงพุโทโธ บ, บ่อยๆ ให้พุทโธกับใจในหน้าเป็นหนึ่งใจมีแต่พุทโธอย่างเดียวคิดจิงแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวถ้าดูลมก็ให้ดูลมอย่างเดียวรู้ที่ปลายยา ม, มกไม่ต้องตามล ม, มเข้าตามล ม, มออกให้อยู่จุดเดียวจิตเป็นถึงยังนิ่งเป็นสมาธิได้นั่งสมาธิจนลมหายใจหายและก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาทำอย่างไรต่อครับก็รู้ไปเฉย หร่ว่างมงายไป ใ, ให้สติคอยควบคุมใจให้นิ่งเฉยๆให้นู่เฉยๆไปที่ภาวะคําภาวนาหายไปมันเป็นเพราะอะไรครับก็เป็นเพราะเราหยุดเลยเราหยุดภาวนามันก็หายไปเลยแล้วเราหยุดพุดโทโธพุโทโธมันก็หายไปเราอย่าหยุดสิจาหยุดพุดโทโธได้ก็ต่องมีจิตมันรวมเข้าสู่ความสงบแล้วพุโทโธมันก็หยุดไป แต่ถ้ายังไม่รวมเข้าสู่ความสงบแล้วมันหายไปก็แสดงว่าเราเราหยุดเราหยุดพุดโทโธมันไม่ได้หายไปไหนเพราะเราหยุดมันเลยเป็นโรคข้อเข่ า, ขาเสื่อมหมอห้ามนั่งขัดสมาดกราบถามว่าข้อที่หนึ่งครับการทําสมาธิทำท่าอื่นเช่นนั่งห้อยขาบนเก้าอี้จะสามารถทําอัปปนาได้ไหมครับไม่รู้จะได้หรือเปล่ามันอยู่ที่สติมากกว่า สติดีอยู่ในท่าไหนมันก็มันก็เป็นอนันต์ได้ข้อสองครับนั่งสมาธิห้อยขาไม่เจ็บเลยจะฝึกให้ผ่านความเจ็บได้อย่างไรครับก็นั่งเปนานนาน็นอนันต์เยมันต้องเจ็บนะไม่ชา้ากเ็เลยไม่นต้องต้องเจ็บก้นนั่งไม่เจ็บขาไม่ต้องไปเจ็บก้นเอีกแต่ต้องใช้เวลานั่งนานหน่อยแต่ถ้านั่งขัดสมาธินี่มันไม่นานบางทีแค่ไม่กี่นาทีมันก็เริ่มเจ็บได้ขึ้นมา มีความโกรธง่ายแก้ไขได้อย่างไรครับอาจารย์ความโกรธจยากเป็นจากความอยากของเราอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากให้มาทําอย่างนั้นทำอย่างนี้เราก็ไม่ทําตามความอยากของเราเราก็โกรธเขาขึ้นมาวิธีที่ย้ำให้โกรธก็คือทําใจให้เป็นสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะทําไงก็ได้เขาจะทําอย่างนั้นก็ได้ทําอย่างนี้ก็ได้ถ้าเาสันโดษยินดีบทุกรูปแบบ มันเราก็จะไม่โกรธใครที่โกรธใครเพราะเขามักจะทําไม่ถูกใจเราเราจะโกรธเขาคุณแคทบอกว่ารู้สึกขอบคุณที่ชีวิตมาถึงวัยหกสิบเป็นคนชอบนั่งสมาธิและฟังรับทํำสิ่งที่พ้าอาจารย์สอนเรื่องหยุดอยากอายุน้อยกว่านี้คงทํายากแต่ผ่านโลกมามากแล้วการหยุดอยากอะไรก็ง่ายไปหมดทําให้ปล่อยวางทุกสิ่งและยอมรับเท่าที่มีเท่าที่ได้ตามที่ป้าอาจารย์สอนครับ พอายุมากมันก็จะเห็นเห็นความจริงมากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นอ น, นิจจังทุกข์กับอนัตตามากขึ้นมันก็เลยทําให้หยุดความอยากได้ง่ายขึ้นสําหรับบางคนบางคนอาจจะไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขกับอนัตตาแก่ขนาดไหนก็ยังอยากอยู่ก็มี <c oughs> มีปัญญารู้อริยสัจสี่เดินมัจเห็นเกิดดับแล้วแต่ยังไม่หลุดพ้นอยากได้นิพพานความความอยากได้นิพพานนี้เป็นตันหารหรือไม่ครับและควรทาอย่างไรครับ เอาความอยากด้านนิพพานไม่ได้เป็นตานามเป็นมัฟถ้าเราไม่อยากด้านิพพานเราก็จะไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็จะเราก็ยังติดอยู่ในกองทุกข์อยู่นั่นเองดังนั้นความอยากไปนิพพานนี้ไม่ใช่เป็นกิเลสไม่เป็นเป็นมัฟเป็นธรรมะเป็นธรรมเป็นประโยชน์คุณโกครับ ระหว่างทดแทนบุญคุณคนกับกิจของเราที่ต้องทําในชาตินี้ถ้าต้องเลือกควรเลือกอะไรก่อนครับก็ต้องเลือกกิจของเราก่อนนะกิจของเราที่สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้ า, า, า, จา ก, ก็ต้องไปสละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชอยู่อกเพยังไม่มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแต่พอหลังจากที่ได้ตัดสินลูกหน้าก็กลับมาโปรดพ่อกลับมาแสดงธรรมให้แม่ที่เป็นเทวดา ทดแทนบุญคุณด้การให้ธรรมะท่านก็นหลุดพ้นกันเป็นพระอราหารอันต์กันขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมานั่งสมาธิแล้วได้กลิ่นหอมๆบางครั้งได้กลิ่นหอมออกเปรี้ยวเป็นเพราะอะไรและควรทําอย่างไรครับอ๋อมันเป็นสมาธะธรรมที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ก็ให้รับรู้เฉยๆไปรู้ว่ามันเกิดขึ้น น, อนอูนเนี๋ยวมันก็ดับไปมันก็ไม่เที่ยง เป็นนรานตาเราควบคุมคบังคับซ้ําเป็นสังการอะไรไม่ได้ก็ไรู้เฉยๆไปได้การประโมทย์พระอริยสงฆ์สามารถติดกรรมได้ใช่ไหมครับทําให้เป็นเหตุขวางกั้นการจเจริญในธรรมแม้จะไม่ตั้งใจก็ตามไหมครับคือถ้าเราไม่ว่าท่านเป็นท่านอริยนะเราไปปรมามทย์่านก็แสดงว่าเราไม่ศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสในตัวท่านเราก็จะไม่ได้ศึกษากับท่านนั้นเอง ก็ไม่ศึกษาพระริยเราก็จะไม่ได้ธรรมะของพระอริยเขาถามต่อบอกว่าด้วยเหตุนี้หากลูกได้เผลอคิดสงสัยหรือปรามาสในตัวพระอาจารย์ด้วยความเขา่าและวิชาของลูกขอกราบขมาที่ได้พลังเผลอด้วยครับเราไม่ได้อขอขมาหรอกเพียงแต่ให้เรารู้แล้วเราเราก็เปลี่ยนทัศนคติของเราเท่านั้นเองที่สําคัญส่วนกคนที่เขาเราปรามาสบางทาก็ไม่รู้ว่าเราปรามาสเขาเขาก็ไม่สนใจ ปามาไม่ปลามาเไม่สนใจจะขอคำมาไม่ขอขมาเขาก็ไม่สนใจปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราเราเปลี่ยนทัศนคติของเราได้หรือเปล่าปวดหลังมากนั่งสมาธิไม่นิ่งเลยจะแก้ไขได้อย่างไรครับก็ช่วยไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินแทนก็แล้วกันถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องเดินเดินสมาธิไป คุณแต้มสีครับบอกว่าหลายปีมานี้ดิฉันไปตลาดมากขึ้นไปเดินหาของกินมากขึ้นรู้สึกเลยว่ากินอาหารไม่ดีแม้จะไม่ได้กินเยอะเพราะปัจจุบันของทอดของมันมีขายเยอะคนซื้อมีทางเลือกน้อยลงจึงเป็นโรคไขมันกันมากขึ้นเรียกว่ามีปัญญาที่เกิดจากการคิดใช่ไหมครับใช่แต่ยังไม่มีปัญญาที่เกิดจากการหยุดความข้ามอยากกินเพราะไม่มีสมาธิไม่มีกำลังถ้ามีสมาธิ เราลองเห็นโทษของการกินอาหารนะเราก็จะหยุดเราก็จะหยุดการกินได้ <c oughs> เวลาที่จิตเข้าฌานสมาบัติเป็นอย่างไรครับอยากจะรู้ครับก็ <c oughs> ทุกอย่างเงียบหมดนะจิตนะสงบเิ่งสงบมีแต่ความสุขที่แนวว่าความสุขทั้งปวง อยากกรับเดินถามแมวป่วยพรุะลกเพราะลูกมันหายไปพาไปหาหมอแล้วไปทุกวันเหมือนจะดีขึ้นสองสามวันแรกแต่ก็ไม่ดีขึ้นแล้วไม่ได้พาไปอีกเราก็เสียใจร้องไห้ทุกถ้าแมวเสียเราจะบาปไหมเพราะไม่ได้พาไปต่อเพราะหมอบอกว่าป่วยหนักเดินไม่ได้สงสารมากแต่เราต้องวางใจใช่ไหมครับใช่ไม่บาปหรอกเราช่วยเต็มที่แล้วเราช่วยนะไม่เกิดประโยชน์อะไรพาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ปล่อยให้มันไปตามบุญตามกรรมของเขาไป จิตใจที่หดหูจะทําให้เบิกบานทําอย่างไรดีครับบริกรรมพุทโธก็ไม่หายหดหูครับหายเสียจะทำมากๆถ้าทําปับเดียวมันไม่หายหรอกต้องทํำจนกว่ามันจะหายถ้ามันไม่หายก็ต้องทําไปเรื่อยๆล้วประกันได้มันต้องหายเพียงแต่ว่าเราอย่าเพิ่งหยุดกันถ้ามันมันไม่หายเราเราอย่าเพิ่งยืดบริกรรมยุดบริกรรมไปได้อาจจะต้องทำทั้งวันทั้งคืนกันแล้กว่าันี้ อยากถามพอาจารย์ว่าการจะเข้าถึงวิปัสนาเห็นการเกิดดับของรูปนามนี้เราจะต้องทิ้งสมมติบัญญัติคือพวกตัวกาหนดต่างๆให้ได้ก่อนแค่รู้ถึงสภาวะที่เป็นปรามัดใช่ไหมครับไม่รู้นะอัน น, น, นี้การเกิดดับก็คือการพิจารณาของความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเช้นร่างกายร่างกายเกิดแล้วก็ต้องดับนี่ทีนี้ถ้าเราไปอยากให้มันไม่ดับเราก็จะทุกข์ใจท่านเอง ถ้าราไม่ยากจะทุกข์ใจเราก็เราอยามรํบวา<ม>ร่างกายมันต้องดับก็ปล่อยมันดับไ ป, อ ย, ปอย่าไปอยากให้มันไม่ดับใจเราก็หายทุกข์ที่คําว่าปริปิมาณต่ออะไรพวกเราไม่เข้าใจนะขออภัยด้วยครับสมมุติปัญญะประมัตณปัญญะอะไรนีนไม่ทราบหมายความว่าอะไรก็เลยต้องขอตอบแบบที่เรารู้ก็การเกิดดับการเกิดดับก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดแล้วต้องตายเนี่ยราถอนใจให้รับผันให้ได้ ถ้าใจยอมนับคําเกิดดับของร่าการไใจก็จะไม่ทุกกับร่างกายแต่ถ้านั้นไม่ได้อยากจะให้มันไม่ดับใจก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆตอนพระอาจารย์อ่านธรรมะเป็นภาษาอังกฤษเขาไม่มีคําพวกนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เค่อยมีนะไม่ค่อยมีอันนี้มันมันมันมันเป็นไม่ทราบมันเป็นเป็นอภิธรรมหรือเปล่าไม่ทราบันที่ก็มาพูดแต่วลาปฏิบัติจริงๆไม่ต้องรู้ของพวกนี้หรอกให้รู้ว่าอะไร อะไรเป็นสิ่งที่เป็นปัญหากับเราก็คือความอยากของเราที่ไปอยากกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองอยากกับสิ่งที่มันจะต้องทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากกับสิ่งนั้นจ้าอาว่าท่านมาติดต่อขอซื้อที่ดินของคุณพ่อคุณแม่เพื่อเตรียมบุญณเมนทางคุณแม่ตอบตกลงและยินดีถวายที่ดินเพิ่มไปด้วยท้าเพื่อทาบุญแต่คุณพ่อไม่ยอม ท่านมีความเชื่อว่าเอาเงินวัดมาใช้ไม่ดีจะไม่เจริญมีความเชื่อแบบนี้ใหม่ครับเพราะคุณแม่เครียดทุกใจมากลูกควรเจรจาอย่างไรกับคุณพ่อให้ท่านเห็นด้วยครับก็ก็กยกให้วัดไปเสร็จทำบุญไปอย่าไปเอาเงินทั้งนั้นก็จบ <laughs> ก็จะได้บุญเต็มที่เลยไม่ต้องเอาเงินทางทางวัดมาบ่อยจากไปเลย เันที่เราได้จากทางวัดที่ซื้อที่ดินมานี่ก็ขายที่ดินนี่ก็บริจาให้คืนวัดเข้าไปก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องมีการซื้อขายเมื่อรู้ว่าทางวัดต้องการที่ดินนี้เพื่อพัฒนาเมรเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวมเราก็ร่วมทำบุญไปได้านในก็จบบอกให้ลูกไปทำบุญลูกบอกถ้าไม่มีตังไปทำบุญแล้วถ้าเราไม่มีจะกินพระจะเลี้ยงเราได้ไหม อย่างนี้ลูกเราจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกก็ถามไปตามความรู้สึกทั้ที่ของเขาแค่นี้แต่เขาไม่เข้าใจว่าการทําบุญนี้ทันเพื่อให้เรามีความสุขใจแล้วก็ทํำตาดกําลังของเราถ้าเราไม่มีเงินทําต้อเอาเงินไปกินข้าวก็อย่าอย่าเพิ่งไปทําบุญแค่นั้นเองไม่เกี่ยวกับพระที่เรามาเรียกอยู่รอเราไม่มีสัญญาว่าถ้าคุณมาทําบุญกับเราแล้วเราต้องเป็นนี้บุญคุณของคุณ อันนี้มัน ไ, ไม่ใช่เรื่องของทาบุญเรื่องของการทําบุญนี่ไม่มีกรข้อผูกมัดกันทาด้วยความด้วยความศรัทธาด้วยความเนื่มใสททำเพื่อจิตใจของตันเองเพอเวลาทําบุญเนี่ยใจจะมีความสุขขึ้นมามีความสบายใจขึ้นมาคุณสมพรครับบอกว่าทำงานผิดพลาดจิตใจมีความทุกข์แต่ในความทุกข์ทให้เห็นธรรมะซ้อนมาอีกที เช่นได้เห็นอนัตตาเห็นการควบคุมงานไม่ให้ผิดพลาดได้ผิดพลาดคือผิดพลาดเห็นความทุกข์ใจอันเกิดจากความอยากไม่ให้ทํางานผิดพลาดเห็นความทุกข์โดยรวมครับะก็หยุดความอยากนั้นสิหยความอยากทําให้ทําให้ดีที่สุดทำเท่าที่เราทาได้ส่วนผลยอมยังไงก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นก็ทํานั่นเองเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเหตุที่ต้องอยู่คนเดียว เพราะอะไรครับแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงดีครับหมายถึงการปฏิบัติธรรมใช่ไห ม, เ, หมเพราะว่ากับสูญเสียคนไปจนต้องอยู่คนเดียวอย่างนี้ครับครับอยู่คนเดียวก็ <S <S ถ้าเราไม่เคยอยู่คนเดียวเราก็จะเศร้าเพราะว่าเราต้องอาศัยคนนั้นคนนี้มาเป็นเครื่องอุดมความสุขให้กับเราแต่ถ้าเราอยากจะอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ไม่ทุกข์เราก็ต้องปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเจริญสติ ทำให้จิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกว่าวเวยมีความสุขกับความความสงบมีความสุขกับการอยู่คนเดียวได้ขอความไม่ตาจากพระอาจารย์ชี้ทางที่จะทําให้เราไม่สนใจคําดูถูกคํำด้อยค่าจากคนอื่นๆครับก็ให้เราพิจารณาว่ า, าคําพูดของเขาเราควบวคุมขังเขาาไม่ได้สั่งเราไม่ได้ เขาจะพูดดีกับเราก็ได้ก็จะพูดไม่ดีกับเราก็ได้เราห้ามเขาไม่ได้เราต้องทําใจยอมรับกับการพูดของเขาในทุกรูปแบบพอเรยอมรับได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์ใเราก็จะเฉยเฉยจะทราบได้อย่างไรครับว่าเราปฏิบัติได้ฟาโสดาบันแล้วครับก็ง่ายๆก็คือไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวโมรมอะไรเงีย ให้ปกความตายที่เกิดจากการเป็นแม็เป็นโรคมะเร็งอกพาวังบ่อยครั้งทั้งที่นั่งสมาธิในตอนเช้าหลังตื่นนอนจะแก้ไขอย่างไรดีครับก็อาจจะตัองลกขบ้นเดินจงกรมแทนเพราะนั่งทำงานจะทำให้จิตมันสติมันขาดสติมันอ่อนมันก็เลยทำให้เข้าผาวังคือสับประงกนะก็ต้องลกขึ้นเดินจงกรมแทน เราทำดีกับคนคนหนึ่งแต่ลับหลังเขาชอบว่านินทาเราเราควรทำใจอย่างไรครับก็คนเราเรื่องเนีันเรื่องของเขาเราเรื่องของเราเป็นคนเรื่องกันการทำบุญของเรามันก็ดีกับสำหรับเราเราทำแล้วเรามีความสุขใจของเราส่างเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราก็เป็นเรื่องของเขาที่เราไปห้ามเขาไม่ได้เราต้องรู้จักแยกแยะสองเรื่องนี้อย่าไปอย่าไปผล่ว่าเราทำดีเขาแล้วเขาต้องมาดีกับเรา อันนี้พอเราไปทักเราคิดอย่างนี้พอเขาไม่ดีก şey ับเราเราก็จะเสียใจขึ <S> <S ้นมาถ้าไม่อยากจะเสียใจถ้าอยากจะมีความสุขใจก็ไม่หวังอะไรจากเขาเพียงแต่ต้องการช่วยเหลือเขาต้องการให้เขามีความสุขพอเราเห็นว่าเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขขึ้นมาในใจเราแต่ถ้าเราไปหวังว่าเราทำดีเขาแล้วก็าทักวันดีกับเราพอเขาไม่ทําดีกับเราเราก็จะเสียใจได้ การที่เห็นอารมณ์เสียใจกายร้องไห้แต่เห็นจิตที่ยังว่างอยู่อย่างนี้เป็นไปได้หรือไม่ครับไม่รู้เหมือนกันคุณคุณเองคุณก็ควรจะรู้เป็นได้และไม่ได้ธรรมะเรื่องใดข้อใดที่อย่างน้อยๆการเกิดมาเราต้องเข้าใจครับเข้าใจว่าเกิดมาแล้วตายนะธรรมะหน่งในสงการที่สุดข้อสอบของชีวิตเราก็คือความแก่ความเจ็บความตาย ทำให้เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนั่นน่นนั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้และวิธีที่เราให้เราไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอเรามีศีลสมาธิปัญญาใจเราก็จะมีอุเบกขามีความมีปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยง แ, แล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็ยอมรับมันพอเรายอมรับมับนได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับ อยู่ก็ไม่ทุกข์ตายก็ไม่ทุกถ้าเราต้องอยู่กับสามีที่ชอบพูดตำหนิพระตามข่าวแต่เราไม่อยากฟังไม่อยากว่าด้วยในใจใจในคิดพุดโทโธพุโทโธรู้ว่านี่คือเสียงเท่านั้นอย่างนี้เราบาปไปด้วยไหมครับไม่บาปหรอกเราไม่เราไม่ไปคิดร้ายเราก็ไม่บาปตามเขาเขาคิดร้ายเข า, เขาก็เ้าก็บาป มันยังไม่ถเราไม่เรียกว่าบาปเราเรียกเป็นอกุศลบางต้องเกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาทางึงจะเป็นบาปเช่ไปทําร้ายขเขานีแต่เป็นการคิดร้ายนี่ยังไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเป็นความคิดที่จะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาได้การนินทาว่าร้ายคนอื่นรับหลังเขาจะเป็นบาปไหมครับถ้าไปไปทําร้ายขเขาก็ยังไม่บาปเป็นแต่เป็นอกุศล เป็นความคิดที่ไม่ควรคิดเพาความคิดแบบนี้ทําให้ใจเราล้อทําให้ใจเราไม่สบายอยากทราบเรื่องเจโตวิมุตกับปัญญาวิมุตต์ครับบ้างครับ <c oughs> คือคำว่าวิมุตคือการุดทนจากความทุกข์การจะอดทนจากความทุกข์ได้ต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาถึงจะอดทนได้นะครับที่เขาว่าเจโตวิมุตนี่เขาหมายถึงคนที่มีความชานาญทางด้านสมาธิ มากกว่าความจำนานทางด้านปัญญาแต่ท่านแต่ท่านก็ต้องใช้ทั้งทังสมาธิทั้งปัญญาถึงจะอุดพอนได้เพียงแต่ปัญญาของท่านอาจจะไม่ไม่เต็มร้อยสมาธิของท่านเต็มร้อยแต่ปัญญาขท่านแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นพอที่จะดับกิเลสได้แต่ไม่ไม่เก่งที่จะมาสอนธรรมะให้กับคนอื่นได้นะเพียงแต่พอที่จะกําจัดกิเลส ข, ของตนเองได้นี่เรียกว่าเป็นผู้ พวนี้เรียกว่าเป็นพวกพวกเจโตมิมุติก็คือมีมีสมาธิมากมีอิทธิฤทธิปฏิหารมีความรู้พิเศษต่างๆอับรชาติได้ทํำเรื่องนี้นี่เป็นพวกถือว่าเป็นพวกเจโตเจโตมิมุตเก่งทางด้านสมาธิมากกว่าเก่งทางด้านปัญญามันพวกที่เก่งทางด้านปัญญามากกว่าสมาธินี้ก็จะมีความฉลาดแหลมคม เวลามนุษร์ทแล้วก็สามารถสั่งสอนเอาธรรมะมาสั่งสอนให้คนเข้าใจได้ง่ายมีนักศิกษาลูกหามาศึกษาเรียนรู้เยอะทั้งงเทศสองตามทั้งสองท่านก็เข้าใจอันนี้พระพุทธเจ้ายกให้มนุษภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรนี้เป็นเป็นปัญญาวิมุติท่านท่านฉลาดทางด้านปัญญามากกว่าทางสมาธิส่วนพระมโอกลานะท่านยกให้เป็นเจนโตวิมุติ คือท่านนีครับสามารถทำทำสมาธิมากทาจิตือมีอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆแต่ปัญญาไม่ค่อยไม่ค่อ ย, ไ ม, อยไม่ค่อยแหลมคมเหมือนกับภาษาในบุตรมีความทุกข์ต้องหาเงินไม่มีเงินตักบาททําบุญเครียดสวดมนต์ก็ไม่มีสมาธิจะทําบุญวิธีไหนดีครับก็มีเวล า, าลว่างหรือเปล่าเป็นจิตอาสาก็ได้ ไปวัดไปช่วยกวาดลานวัดก็ได้น้่งห้องน้ำไงของวัดก็ได้ที่เราจะทําุญที่ไหนก็ได้ทําประโยชน์ที่ไหนก็ได้ทําประโยชน์ที่โรงเรียนก็ได้ที่โรงพยาบาลก็ได้ไม่แม้แต่รอบบริเวณบ้านเราเราเก็บยะรอบบริเวณบ้านเราให้สะอาดมันก็เป็นมันก็เป็นบุญไปกุศลละทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเสียสละแล้วต้องเสียสละความสุขของเราเพื่อประโยชน์สุขของขอ ง, ของผู้อื่น อดีตที่อยากลืมควรทาอย่างไรครับก็เวลาคิดถึงมันก็หยุดมันเลยใช้พุทโธพุทโธหยุดมันพอคิดถึงอดีตปั๊บก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอดีตนั้นมันก็จะหายไปจากใจเราทำแบบนี้ทุกครั้งต่อไปความเชื่อคิดถึงอดีตนั้นก็จะหายไปเมื่อวานขับรถทับแมวตายโดยไม่ตั้งใจรู้สึกเป็นทุกข์ทําอย่างไรดีครับ ไม่ต้องทำางนี้ทใจว่ามันเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์เรื่องอาจจะเกิดขึ้นกับเขาหรือเกิดขึ้นกับเราก็ได้เราจะขับรถไปแล้วมีนคนเขาหลับในายเขาลื่นมาชนเราตายก็ได้เขาก็ไม่มีเจตนาเหมือนกันแต่ก็ต้องตายเหมือนกันก็ให้คิดแบบนี้ไปทั้งเขาทั้งเราแต่ไม่ไมบาปเราไม่ต้องไปชดใช้กรรมที่เกิดจากกาันเกิดที่เกิดจากการอุบัติเหตุตา่างๆเพราะไม่มีเจตนาไม่อีความตั้งใจ คุณวิไลครับบอกว่าเคยเป็นซึมเศร้าจากแสมมีเสียชีวิตแต่หายได้จากฟังธรรมะพระอาจารย์ท่องพุโทโธทั้งวันนั่งสมาธิหายได้ในสองเดือนครึ่งจากที่เคยเป็นซึมเศร้ามาสองปีไม่เคยหายตอนนี้หายปะกะติปฏิบัติ ต, ต่อไปนะครับกับอาจารย์ครับยืนยัยนนะรับประกันแล้วนะเราสติพุโทโธนี่ช่วยได้นะต่ต้องทําให้มากเท่านั้นเองอย่าเพิ่งทําแค่ปรับเดีานาทีสนาทีแล้วหวังให้เกิดผลขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกิด ต้องทำไปเรื่อยแต่ละคนอาจจะนานช้านานต่างกันนะครับอางคนอาจจะต้องบริกรรมนานหน่อยบางคนอาจจะบริกรรมไม่นานก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันกําลังสติของแต่ละคนที่มาอยู่มัน ม, มากน้อยไม่เท่ากันทําไมเวลานอนจะได้นอนว่าฝันว่าได้ขึ้นรถทัวร์เป็นประจําครับไม่ทราบเหมือนกันนะ <c oughs> ข อ, อนุญาตกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับเรื่องกสินครับเวลาผมงุดหงิดรำคาญผมจะเพ่งอาโลกสินคือแสงสว่างผ่านโพกต้นไม้ไปยังแสงบรรยากาศของท้องฟ้าโดยใช้อารมณ์กำหนดความสว่างของโพรงที่ว่างที่เพ่งไปยังท้องฟ้าแล้วจากนั้นภาพพอภาพเริ่มติดตาก็หลับตานิมิตที่เกิดเป็นภาพแสงของโพรงที่เพ่งพยายามคุมภาพนิมิตไม่ให้เปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงตามที่พระอาจารย์เคยแนะนําแต่ยิ่งมาคับมันยิ่งเปลี่ยน จึงพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงสามารถทําได้ไหมครับหรือเราต้องภาวนาตามสีภาพนี้มิตนี้เปลี่ยนที่เปลี่ยนไปสีขาวก็บริกรรมโอทาตัพก็แสดงว่าสติเรายังมีกําลังไม่มากพอสู้ความคิดปรุงแต่งไม่ได้ก็พยายามเพ่งให้มันอยู่เป็นสีเดียวถ้าเราอยากจะใช้กระสินถ้ามันจะเปลี่ยนก็ก็อย่าไปสนใจพยายามดึงมันกลับมาที่สีที่เรากำหนดไว้ในเบื้องต้น ถ้าเรากำหนดสีขาวแล้วมันกลับมาหาอยู่ที่สีขาวถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็เดินกลับมาหาสีขาวไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตมันยังต่อต้านสติของเราอยู่จิตมันยังอยากจะคิดปรุงแต่ไปตามภาษาของมันอยู่มันก็เลยอาจจะทําให้สีที่เรากําหนดไว้บันจันเปลี่ยนไปแล้วก็พอมันเปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนมันกลับมาได้เราเป็นผู้กําหนดสีเองก็ต้องพยายามฝืนกันไปฝืนกันมาสู้กันไปเพื่อมา ในการไฟใดไฟหนึ่งจะชนะก็เหมือนกับคำบริกรรมพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วเดี๋ยวก็เผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเดินกลับมาอยู่ที่พุทโธเอาเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเดินกลับมาอยู่กับพุทโธไอการดูสีก็แบบอย่างนั้นก็หมดให้ดูสีขาวเดี๋ยวมันก็ว่าเป็นดูสีเหลืองแล้วก็เดินกลับมาให้กําลังอยู่ที่สีขาวองค์ธรนนี้ไปจําการไฟใดไฟหนึ่งจะชนะถ้าเราชนะจิตก็รวมเป็นสมาธิ ถ้าเราแพ้เราก็ตนั่งสมาธิลุกขึ้นไม่ไม่ได้ผลการนินทาผิดศีลข้อสี่ไหมครับคือถ้าเป็นซื้อศีลห้าศีลแปดให้ไม่ผิดนะเพราะศีลห้าศีลแปดห้ามไม่ให้พูดปลดจนเลยการนินทาการเลยการพูดพูดแบบพ้อเจ้อนี่มันเป็นเปนเป็นสียลของนักบวช เช่นพระพระเรืสุภิกษุณีเนี่ยต้องมีวาจาที่สุภาพวาจาที่ไม่พูดเละเทะพูดอะไรให้เป็นเป็นเป็นวาจาที่มีวิสาระประโยชน์พูดเรื่องธรรมะรอะไรไม่ให้พูดเละเทะเน้นทางการไปวิพากษ์วิจารณะคนนั้นคนนี้สำนักบวชนี่เขาจะไม่ทํากันแต่แต่ผู้ที่สืบเสียน่าสืแปดเนี่ยไม่ได้เป็นท่านบวชนี่ไม่ไม่เกี่ยว ความกข้ามุาสานี่หมายถึงให้พูดความจริงไม่ให้พูดปลดท้ายอไม่ได้ห้ามไม่พูดดินทากานเลยแต่อย่างใดแต่ก็ไม่ควรพูดถ้าห้ามได้ก็ดีไม่เกิดประโยชน์อะไรไปตาหนิทิฏเตีนไปวิพากษ์วิจารณ์ับาผู้เจ้าสามารถถ้าอยากจะด่ากห้ด่าตัวเราจะดีกว่าพราด่าตัวเราเร า, เราจะได้แก้ตัวเราได้ว่าเอเนี่ยเราผิดตรง น, นี้นะมันที่เว ล, ล้วเกินทําอย่างนี้ สุไลเรื่องอื่นได้นะครัในนี้ยังได้ประโยชน์กว่าคุณรัตดาวันครับเราจะช่วยสอนคนที่คิดได้น้อยให้เกิดปัญญาได้ด้วยวิธีใดบ้างครับก็ส่งเข้าไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนไปโรงเรียนเขาจะคิดทางปัญญาครูเขาสอนให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องวิชาต่างๆก็เป็นปัญญา ถ้าแต่าต้องการก็มีปัญญาแบบไหนถ้าต้องการให้ก็มีปัญญาทางทางพุทธศาสนาก็ต้องให้เขาไปบวชเป็นพระบวชเป็นเลนไปบุญทางประเพณีเยอะมากต้องหาเงินใส่ซองตามหน้าที่ทําให้จิตใจไม่ชอบเป็นอกุศลจะแก้อย่างไรดีครับก็เราอย่าตามประเพณีไปก็หมดเลยเขาไม่ได้บังคับเราทนา น, นถ้าเราไม่อยากจะใส่แล้วก็ปฏิเสธไปเท่านั้นก็จบ คุณหนุ่มน้อยครับหลวงตาครับจะถามว่าขออนุโมทนาบุญกรถินยังไม่ได้บอกให้น้องและทุกคนบอกย้อนหลังได้ไหมครับได้เราสวดมนต์ทำวัดช้าวัดเย็นอยากจะทราบว่ามีผลอย่างไรครับก็เป็นงานฝึกสติทําใจให้สงบนั้ยสวดไปเพียงแต่ถ้ามันส่วนน้อยมันก็เลยไม่เห็นผลก็ลต้องมาถามคําถามนี้ แต่ถ้าส่วดมากๆเราจะเห็นผลว่าอาจิตของเราสงบแน่นเย็นสบายขึ้นมานั่นก็นคืออานิสงส์ของการว่าสวนบนนี่แต่จะต้องสวดนานหน่อยอาจจะต้องสวด ส, สักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยถึงจะเห็นผลคุมขวัญครับการถวายผ้าอังสาหรือหมวกไหมพรมกันหนาวแด่พระพิสุสงสามารถทําได้ไหมครับผิดวินัยหรือไม่ครับไม่ผิดครับทําได้ มีความเครียดเพราะชีวิตต้องใช้ชีวิตกับสามีที่เป็นต่างศาสนาและความคิดเห็นก็ไม่ได้ตรงกันแต่มีรู้ด้วยกันไปแล้วหนึ่งคนครับอาจารย์ก็<ๆ>อย่าไปอยากเปลี่ยนเขาเลยไหวเขาเป็นเป็นนับถือของเขาตามเดินไปล้วก็นับถือเขงเราไปต่างฝ่ายต่างก็นับนับถือของตนไปกาที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็คือเขาหอก ว, ว่าทั้งนี้รู้จักประสานส่วนเหมือนแล้วก็สมวนส่วนตา่าง ส่วนไหนเป็นส่วนต่างก็ยามาพูดยามาคุยอย่ามาทำเป็ น, เ ป, นเป็นประเด็นขึ้นมาเขานับถือศาสนานี้เรานับถือศาสนานาี้เราอย่เอาศาสนามาบังคับให้เขาเป็นของเราหรือเราเป็นของเขาส่วนอันนที่เป็นส่วนเหมือนที่เราชอบไปเที่ยวด้วยกันอันนี้ก็ไปเที่ยวด้วยกันไปมันก็มีความสุขภาษาส่วนเหมือนสมวนส่วนต่าง สัตว์ที่มีคนเลี้ยงดูและเข้าใจภาษาคนมากเวลาตายไปเกิดในภพภูมิใดได้บ้างครับจนใหายมันก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ไปจนก่าบาปที่มันเคยทำไว้มันหมดมันถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไหมีคนที่ไม่ดีกับเราแต่เห็นเขาทุกวันแล้วรู้สึกไม่ดีจะทํำยังไงดีครับให้อภัยเขาสิให้อภัยเขา อย่าถือโทษกดเกลือนเขาถือว่าเราใช้นี่เก่าไปก็แล้วกันชาติก่อนเราอาจจะเคยไปทําให้เขาทําร้ายเขาชาตินี้เขาก็มาทําร้ายเราทําไม่ดีกับเราถือว่าเป็นการใช้นี่เก่าไปแล้วเราก็จะไม่กรดเขาไม่เอเราก็ให้อภัยเขาได้แล้วเราก็จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขได้มีความเมตตาต่อเขาได้ ถามเรียนถามอาจารย์ด้วยความเคารพครับถ้ามีอารมณ์กําหนัดในเรื่องการมาราคะแล้วไม่สามารถควบคุมความรู้สึกนั้นได้บางครั้งความรู้สึกนั้นก็ละเมิดคนที่เขามีครอบครัวแล้วจะมีวิธีการจัดการไม่ให้จิตคิดไปไม่ดีอย่างไรดีครับก็ต้องมาพิจารณาสุภาษิตอยูอยาา่อย่ามาทําตอนที่เกิดอารมณ์เพราะกําลังมันอาจจะไม่พอสู้นั้นเราพยายามฝึกพิจารณาสุภาอยู่บ่อยๆตั้งแต่ยังไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมา ม้นก็เราต้องฝึกซ้อมยิงปืนไว้ก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่สนามลบไม่ใช่เป็นซ้อมยิงเงินขนาดที่อยู่ในสนามลบมันมันไม่ทันการนะและ้วก็สนามลบนี่เราต้องยิงแม่นนะพอเห็นกล้าศึกศัตรตูยิงปุบ๊บต้องเข้าเป้าทันทีถ้าเราไม่ฝึกซ้อมมาก่อนพอเข้าสนามลบ ก, ก็ยิงไม่ถูกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามานรอใช้อสุภะตอนที่เราเกิดการอารม์แล้วมันมันสู้ไม่ได้มันนึกไม่ออก มันจะเห็นแต่ของส่วยๆให้คอย่างเดียวไปทําบุญที่วัดแล้วเจอหลายอย่างที่ทําให้ทุกใจครับเช่นคนหรือคําพูดจะแก้ไข ย, ยังไงดีครับก็โลกนี้เป็นอนิจจังมันมีทั้งคนหลายรูปแบบด้วยกันไม่มีอะไรเหมือนกันหมดทุกคนคนพูดดีก็มีคนพูดไม่ดีก็มีเราต้องยอมรับความจริงของความเป็นความหลากหลายของของคนเรา คนเราไม่เหมือนกันทุกคนอยาให้ทุกคนเหมือนกันหบบนั้นชอบเป็นไปไม่ได้พออยากจะให้เขาเหมือนกันหรือเป็นปเตามที่เราอยากให้ก็เป็นมอเขามันเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะเฉยๆ ate. เขาปล่อยเขาไปก็ เ, เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปเราก็เลือกคบคนได้ถ้าเราไม่ชอบคนแบบนี้เราก็อย่าไปคบกับเขาด้่นนี้ ปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะได้ปัญญาญาณเพื่อเป็นแนวทางสู่การหลุดพ้นครับกนต้อนต้องปฏิบัติขั้นต้นก็นสิงแล้วก็ตามในสมาธแิแล้วก็ไปศึกษาทางปัญญาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาคิดให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปัญญาญาณต่อไป เจ้าเอาว่าให้ศรีกาเข้าไปสวดมนต์ในโบสถ์เพราะมีถ้วยชามอาหารอยู่ในโบสถ์ด้วยอย่างนี้ผิดไหมครับอาจารย์มันก็ไม่มีไม่มีกฎห้ามมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมเรื่องอาหารการกินนี่เขาจะยากว่าอยู่ที่ศาลาหอจันท์เวลาฉันนั่เข้าไปที่ศาลาหอจันทเวลาจะทําพิธีกรรมต่ตางๆก็เขาจะทำในโบสถ์ก็ต้องรู้จักแยกเนี้ยว่าอะไรควรไม่ควรเทนั้นเองบางทีเจ้าว่าก็ เขาก็ไม่รู้อับบวชมาแล้วก็ไม่เคยศึกษาไม่เคยตัง้เงเนตทําไปตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองถ้าเรารู้สึกโกรธและเห็นว่าเรากดเห็นแล้วควรทำยังไงครับก็ต้องหยุดโกรธเสียมันเห็นไฟไหม้แล้วจะทํำยัำยงไงความโกรธนี่เหมือนไฟกําลังเผาใจเราให้ทุกร้อนขึ้นมาเราก็ต้องดับความโกรธเสีย ก็ต้องเปดับที่เหตุของความโกรธเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นตามความอยากก็โกรธขึ้นมาอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยมันเป็นไปแล้วก็จะไม่โกรธฝันเห็นญาติที่ตายบ่อยๆตัวเราทําบุญใส่บาตเป็นวิธีที่ถูกต้องไมครับบุญนั้นเราได้หรือญาติเราจะได้ครับ มูลเราทำเราก็ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเา้าเราก็อุทิศให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วก็ได้ได้ทั้งสองคนเราก็ได้คนที่ตายไปก็ได้แต่เราต้องอุทิศนะเราต้องคิดไปในใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับทานั้นท่า น, นที่ร่วงรับไปแล้วถ้าไม่อุทิศเขาก็จะไปเขาก็จะรับไม่ได้มันกับการส่งของไปทางไปรษณีย์เรามีของแล้วแต่เราไม่ส่งไปมันก็ไปไม่ถึงผู้รับ ถ้าอยากให้ไปเห็นพูดรื่องอะก็ต้องส่งของผ่านทางไปรษณีย์ไปถ้าวันหนึ่งเราต้องเป็นคนตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจคนที่เรารักต้องทําอย่างไรครับละบับไหมครับ <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าเป็นคําสั่งของหมอหรือเปล่าถ้าหมอหมอรักษาไม่ได้แนละ้วการถอดเครื่องหายใจออกไปนี่ก็ไม่ได้เป็นการไปฆ่าเขาเป็นการหยุดการรักษาพยาบาล อย่นี้ก็ทําได้แต่ท่านบอว่าต้องต้องเก็บไว้ก่อนถ้าเอาแล้วเขาตายถ้าเราอยากให้เขาตายเราก็เอาออกอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฆ่าได้เหมือนกันอยู่ที่เจตนาว่าเราทําด้วยเจตนาอย่างไรทําเจตนาเพราะเราอยากจะให้เขาตายหรือไม่อยากให้เขาตายแล้วทําให้เขาตายนี่ก็เป็นบาปแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาแต่ต้องหยุดเพราะว่าหมอวารักษาไปก็เสียเวล า, าเปล่าๆไม่แกิดประโยชน์อะไร แล้วก็เอาเอาได้อย่างนี้ก็ทําตามตามเราตามความวินิจฉัยของแบบของอหมอเราไม่คนที่จะทําเองทํายังไงถึงจะไม่กลัวความตายให้อยู่แบบมีความสุขได้ครับอาจารย์ก็ยอมยอมตายเนทะ่านั้นยอมรับเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่มพ้นความตายไม่ได้ การตายแล้วเผาเลยไม่จัดงานสวดศพสามคืนเจ็ดคืนอย่างนี้เราจะบาปไหมครับไม่บาปในไม่ได้บุญนะที่ก็จัดงานก็เพราะเขาอยากจะทําบุญเงินอยากให้ญาติพี่น้องคนสนิทเพื่อนทั้ิสาได้มีโอกาสมาทําบุญโดยสายความตายของของคนนี้เป็นเป็นเหตุให้เราได้ทําบุญเงินเพราะถ้าไม่มีคนตายเราก็จะไม่มบูชาไปทํานู่นทนํานี่ไม่มีเวลามาทําบุญพอมีคนตายอ่ะต้องมาทําบุญทะหน่อยนะทําบุญ ถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครว่าอะไรได้รบคนที่เคยรู้จักกับแฟนอยู่ในสถานที่ไม่ใช่บ้านเขาเขามาเป็นคนเร่ร่อนอาศรรยัยอยู่แถวสถานีรถไฟเราก็หยิบยื่นช่วยเหลือปัจจัยต่างๆเขาอยากบวชเราช่วยทำธุระหาวัดที่จะบวชให้เจ้าอาวาสเขามีเมตตาช่วยบวชให้โดยมีเรากับเจ้าอาวาสที่ออกค่าใช้จ่ายให้ตอนนี้ลูกมีความสุขมากแบบตัวเบาสบายที่ได้ช่วยเหลือคน แต่พอหลังบวชสักพักก็มีปัญหาหลายอย่างส่งผลถึงวัดนั้นหลวงพ่อที่จะช่วยบวชให้ท่านก็พูดปลอบใจเราให้เราไม่ต้องคิดมากให้เราปล่อยวางเขาก็มีกรรมต้องปอดต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเขาครับใช่ถอกตาเราต้องแยกเป็ น, เ ป, นเป็นสองกรณีคือการกระทาของเรานะี่เป็นบุญเป็นกุศลเราเป็นความสนใจแต่การกระทําของผู้ที่มาบวชนี่มันเป็นเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่ไม่ เ, เกี่ยวกับเรา ถ้ากขาทาดีมันก็มันก็เป็นดีกับเขาถ้าเขาทำไม่ดีมันก็ไม่ดีกับเขาไม่เกี่ยวกับเราแต่อย่างใดร่างกายเจ็บปวดจากโรคเราต้องทุกขท ร, รมานอยากหายจากเจ็บปวดเป็นกิเลสไม่ครับความท ร, รมานปวดร้าวน่ากลัวครับใช่ความท ร, รมานที่มันเกิดจากความอยากหายถ้าเราไม่มีความอยากหายแล้วความท ร, รมานจะไม่มีจะมีความเจ็บธรรมดาธรรมดา ความแต่ความปวดทรมานทางจิตใจจะไม่มีความความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ลูกพยายามฝึกสติควบคุมความคิดไม่ให้ไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรพยายามฝึกทําทุกวันทําได้บ้างไม่ได้บ้างลูกควรฝึกต่อไปอย่างไรดีครับก็ทําทำจนกว่าเราจะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปได้ถ้าเราทํา living view เพื่อปฏิรรเสธ ก, การรักษาเมื่อโคม่าอย่างนี้บาบไหมครับไม่บาบเราเป็นร่างกายของเราเราไม่ต้องการรักษากเป็นเสร็จของเราแต่เราอย่าไปสห้เขาทําให้ร่างกายเราตายเชย่นให้หมอช่วยฉีดยาให้ตายอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าบาบเป็นการฆ่าตัวตายสอบถามเรื่องที่ดินเพิ่มนะครับที่ดินที่จะถวายวัดคุณพ่อท่านก็ไม่ยอมถวายครับควรพูด ก็ช่วยไม่ได้กันตอนน้ว่าท่านยังคงสมบัติของท่านอยู่ยถ้าถ้าถ้าเขาไม่ยอมเราก็ต้องจบนุมให้มันไปก็แล้ว ก, กันเบอกว่าทําเราทำอะไรไม่ได้คนระับก็เราบังคับเขาไม่ได้บังคับให้เขาทําบุญไม่ได้เราก็ต้องวางใจเป็นุเบกขาวางเฉยไปทําดีที่สุดแนละ้วได้ทํานี้ เดินตรงกลมแล้วมีอาการหาวน้ำมูกไหลน้ำตาไหลเกิดจากอะไรแลว้วควรจะทําอย่างไรครับเกิดจากนิวรณความความอยากนอนความขี้เกียจซึ่งส่วนใหญ่ก็เกิดจากการรับประทานอาหารนั้นอย่าไปทําสมาธิอย่าไปปฏิบัติช่วงที่เราเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จไปใหม่เพราะมันเท่ามันอิ่มแล้วมันจะขี้เกียจมันจะง่วงนอนคนจะทำตอนก่อนกินดีก็เอามาเดินนจงกรมตอนก่อนที่เราจะกินอาหารเลย จะไม่ง่วงไม่หายแต่มันจะหิวนะแต่มันหิวก็ดีหิวแลมันจะทําให้ไม่ง่วงแต่ก็มันอิ่มแล้วมันจะทําให้หลงง่วงบาปคืออะไรครับเราจะได้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นครับคือการทําร้ายผู้ทําให้ผู้นี้เกิดเกิดความเสียหายขึ้นมาเรียก็าบาปเช่นเราไปลักทรัพย์ของผูน้นี้เราก็ไปทําให้เขาเสียหายหเดือดร้อน ก็บาเราไปฆ่าเขาเนี่ก็บาปเราไปยุ่งเกี่ยวสามีภรรยาของเขาก็บาปเัาทำให้เขาทุกข์ใจเวลาที่เขาต้องสูญเสียภรรยาไปให้กับคนอื่นแล้วเราไปโกหกเราลวงคนนั้นคนนี้ให้เขาเกิดความเสียหายเช่นไปต้มตุนนีงง้พฤติกรรมช่อกงต่างๆด้วย ด, ด, ด, ด้วยวาจาอันนี้ก็เป็นการสร้างความเสียหายหทางทา ง, ทางวาจา ก, ก็เป็นบาปเหมือนกัน ลูกกับเรียนถามลูกจะบาปไหมถ้าลูกไม่ทําอะไรตามใจคุณพ่อทุกวันเพราะบางวันลูกไม่สบายใจครับไม่บาปหรอกยินดาจะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำํำบุย่างคุณพ่อทาให้คุณพ่อมีความสุขถ้าเราอยากให้คุณพ่อมีความสุขสิ่งไหนที่ท่านต้องการให้เราทำถ้าเราคิดว่าพอจะทําได้ไม่เสียหายไม่ผิดศีลผิดกฎหมายก็ทําไปคุณพ่อก็จะมีความสุขได้แต่ถ้าไม่ทำก็ก็ไม่บาป เป็นจากคุณพ่อป้าจะเสียใจก็เป็นเรื่องของคนพ่อเองไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราไปทำให้ท่านเสียใจท่านบยาญัติเราทำแล้วเราไม่ทบท่านถ้าชีวิตมีปัญหาเราจะต้องสวดมนต์บทไหนดีครับ ม, มันต้องรู้สิว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเราต้องไปแก้ที่ปัญหานั้นถ้าสวดมนต์ก็ไม่เป็นแต่ว่งรับความ ความคิดถึงปัญหานั้นไว้ชั่วคราวเมื่อเราไม่คิดถึงปัญหานั้นความไม่สบายใจยเกี่ยวกับปัญหามันก็จะหายไปชั่วคราแวและสวดบ น, นั้นก็ได้ถ้าเราต้องการนะครับความคิดปรุกแต่งความทุกข์ใจที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆแต่มันไม่หายอย่างอย่างอยาถาวรมันหายแบบชั่วคราวให้ในขณะที่เราสวดพอเราลเลิกสวดพอเรากลับไปคิดถึงปัญหามันก็เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นใหม่ได้ ถ้าอยากจะให้ความไม่สบายใจหายไปเราก็ต้องไปดูศึกษา ถ, ถึงปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรไเกิดจากความอยากชนิดใดของเราเพอเรานั้ว่ามันเกิดจากความความอยากชนิดนี้เราก็หยุดความอยากอันนี้ไปพอหยุดได้ความไม่สบายใจก็หายไปปัญหาก็จะหมดไปทําสมาธิวันละห้านาทีจะทราบอย่างไรว่าจิตมีสมาธิสังเกตยอย่างไรว่าดีขึ้นครับ อห้านาทีไม่พอมันนูอ่นอย่างนั้นต้องนั่งไปเยอะๆนั่งไปนานาส่วนนึ่งก็อยู่ที่เวลาอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คุณภาพของการนั่งคุณภาพที่สําคัญก็คือสติถ้าเรามีสติดีมันเพียงนั่งเพีห้านาทีเราก็จะเห็นผลทันทีแต่ถ้าเราไม่มีสติบทีนั่งปเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เห็นผลนั่นมันอยู่ที่สองอย่างนะครับอยู่ที่อยู่ที่สติเป็นหลักถ้าเรามีสติดีนั่ง ไม่นานเราก็จะเห็นผลแต่ถ้าเราไม่มีสตินั่งไปนานเท่าไรก็ไม่เห็นผลก็แสดงว่าเราต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนการกรวดน้ําอุทิศ ต, ต้องใช้น้ําเป็นสื่อทุกครั้งไหมครับไม่ต้องใน้ําใจคือความสุขใจที่เรามีอยู่ในใจที่เกิดจากการทําบุญของเรานี้เราส่งความสุขใจไปให้เขาไม่ได้ส่งน้ําไปให้เขา คนบ้านลูกเป็นเบาหวานเป็นทุกโรคแต่กินตามใจปากมากลูกคอยว่าคอยเตือนเหมือนบังคับเขาแต่เขาก็ไม่เคยทำตามเลยลูกจะบาปไหมครับและควรจะเตือนเขาต่อไปไหมครับไม่บาปหรอกที่การที่การเราไปเตือนเขาไม่บอกให้เขารู้เหตุว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายแต่ถ้าเขาไม่เชื่อเราไม่ฟังเราเราก็ควรจะหยุดพูดไปก็เสียเวลามาป่า ทำไมใจท่องพุโทโธขึ้นมาบ่อยๆโดยไม่ได้ตั้งใจครับมันเป็นนิสัยถ้าเราฝึกบ่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นนิสัยการให้อาหารแมวจรจัดเพื่อตัดความรำคาญที่แมวมาร้องรบ ก, กวนการทำทานแบบนี้เราได้บุญอยู่ไหมครับได้ ไม่ได้อยู่กับพ่อและก่อนท่านเสียท่านป่วยก็ไม่ได้ดูแลจะบาปไหมครับไม่บาปเป็นแต่ไม่มีความกระตันอยูไม่ได้แสดงความกรตันอยู่กับะเวทีตอบแทนมูลคนของท่านการวางอุเบกขาจากความเจ็บป่วย <c oughs> ควรทำอย่างไรพยายามปฏิเสธพยายามปฏิบัติสมาธิบ่อยๆจะทำได้ไม่นานครับก็ลองทำสมาธิให้บ่อยให้มากให้จิตนิ่งเฉย วันนี้เฉยๆได้ก็จะทําทำใจได้ปล่อยวางได้ดวงตกมีจริงไหมครับเพราะอะไรทําไมจึงมีเรื่องไม่ดีเข้ามาพร้อมๆกันแม้เราไม่ได้สร้างปัจจัยแห่งความทุกข์นั้นครับเพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจังอ น, นัตตานั่นเองก็คือโลกนี้มันมีปัจจัยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากหรือเลวลงมากก็ได้ เรืเ่องเศรษฐกิจนี่มันก็มีขึ้นๆลงๆมันก็มีผลกระทบกับเราินฟ้าอากาศมีพายุมีน้ำท่วมอะไรต่างๆเนี่มันก็มีผลกระทบกับชีวิตของเราได้ด้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาเรื่องของธรรมชาติที่เราต้องยอมรับเราอยู่ในเรื่องของอนิจจาอ น, นัสตาอ น, นัสตาก็คือไม่มีใครควบคุมเหตุปัจจัยต่างๆได้อนิจจาก็คือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีขึ้นๆลงๆงชีวิตของเรา ลูกสาวเก้าขวบกลัวว่าพ่อแม่จะตายจะสอนเขาให้มีวิธีคิดอย่างไรให้คลายความกังวล น, นี้ได้ครับก็บอกว่าอันนี้พ่อแม่ยังไม่ตายอยังเป็นกังวลคิดตายเขาไม่เกิดประยชนอะไรสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรครับสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสติเป็นตัวที่คอยหยุดความคิดพอมีสติกังวลมาก กันามากพอที่จะหยุดัางคิดได้จิตก็เนื่องสมอก็เป็นสมาธิขึ้นมาร่างกายเริ่มเจ็บป่วยพยายามปฏิบัติสมาธิแต่ทำได้ไม่นานควรปฏิบัติอย่างไรครับต้องปฏิบัติต่อไปพ่อที่เอาแต่ใจพอไม่ได้อย่างใจก็จะแช่งด่าลูกแรงๆคำแช่งของพ่อจะมีผลไหมครับไม่มีผลหรอ ควเราดีเชื่อมัอยู่ที่คำแช่งคำสาปของใครอยู่ที่การกระทําของเราเองมีเชื่ออยู่ที่ที่กรรมเรามีกรรมเป็นของของตนกระทำบุมหรือทำํทำบาปทาดีหรือทํำชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของการกระทําของเราเท่านั้นเวลาที่เราเกิดความโลภอยากได้นั่นนี่แต่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนผิดไหมครับ แต่ตอนเกิดความโลภก็กําหนดรู้ว่าเรากําลังโลภอยู่แต่มันก็ยังมีความอยากได้แรงอยู่ต้องภาวนาอย่างไรดีครับมันไม่ผิดหรอกนะมันจะทําให้เราทุกข์เวลาที่เราไม่ได้ตามความอยากของเราหรือถ้าเราได้สิ่งที่เราหรือว่าถ้าเราต้องสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราก็จะต้องทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์กับเขาเป็นการเปความโลภถึงแม้ว่าไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขเสียหายเดือนวนั้นมันก็ทําให้ตัวเราเดือน นนเไม่่มใชคกิเลส ท, ที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานที่เป็นฝ่ายอากุศลเกิดขึ้นรู้แล้วปล่อยวางเป็นเช่นนี้เพราะมีชีวิตใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตแต่เนเรื่องของธรรมชาติของกิเลสเนื่องจากความคิดฉงใจถ้าใจคิดไปทางหนงมันก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาคิดไปอีกทางหนงมันก็ไม่เป็นกิเลสมันอยู่ที่ความคิดเป็นเรื่องของความคิด ที่เราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เราทําให้เกิดกิเลสเราก็หยุดคิดอย่างนี้ไปถ้าเราคิดว่าสิ่งทั้นดีสิ่งนัานจะให้ความสุขกามันก็จะทําให้เกิดกิเลสเกิดความโลภได้แต่เราไปคิดว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องทําให้เราทุกข์มันก็จะทําให้เราแล้วหยุดความคิดทางกิเลสได้ เจอคนพูดว่าพระพุทธเจ้าทิ้งพ่อแม่ลูกภรรยาไปบวชรู้สึกไม่พอใจมากจะตอบยังไงดีหรือปล่อยไปไม่ต้องไปตอบครับก็ท่านไป ท, ทําธุระไง <c oughs> เวลาเวลาเวลาคุณไปเรียนหนังสือต่างประเทศคุณก็ตอกทิ้งพ่อแม่ไปช่วคราใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ทิ้งอย่างท้าวอนพอคุณยรียจบคุณก็กลับมาทํางานแล้วก็วันลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปพระพุทธเจ้าก็ทําแบบนั้นพระเจ้าก็ไปบวช ไปศึกษาต่างประเทศพอนั้ันรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็กลับมาสอนธรรมะให้กับพ่อกับแม่ช่วยพ่อแมใ่ให้หนุนพ้นจากความจุกได้เขาไม่ได้ดูหนังตลอดจนจบโนวตเนี่ยเห็นแต่เห็นแต่ตอนหนึ่งแล้วก็มาวิพากษ์วิจารเห็นตอนที่ท่านสละราช ส, สมบัติแล้วไม่เห็นว่าตอนที่ท่านกลับมาโปรดปิดามารดามาช่วยสอนให้คนที่ท่านรู้จัก ได้บรรลุดนุนทนจากความทุกข์ตั้งหลายคนเขาไม่มองเห็นตรงนั้นจ ะ, จะบาลานซ์ความอยากในทางโลกกับปล่อยวางไม่ยึดติดในทางธรรมอย่างไรดีครับถ้าเลือกที่จะเดินทางคาวาะครับก็ <c oughs> นใช้แบบชีวิตแบบน้ำน้อยสันโดษนะพออยู่พอกินไปเศรษฐกิจพอเพียงทางที่นาะยหลวงเรากล้าวสอนนะ่ะให้เราพออยู่พอกินก็พอแล้วก็จะมีความสุขได้ นั่เพื่อจบข่าว่าพระอาจารย์ของรุ่นพี่สอนให้เจริญปัญญาเป็นตัวนําเพราะสมาธิแค่กดอารมณ์ไว้หากเรายังมีความรู้สึกแย้งในใจถือเป็นการปรามทยท่านไหมครับไม่เนามันก็เป็นความเห็นของเราว่าเราอาจจะรู้ว่าสมาธินอ ก, กจากการกดอารมณ์แล้ ว, ลวมันยังทำให้จิตเราวางเฉยได้อ น, นี้ก็มองไม่ห เขไม่รู้ว่าการชั้นปัญญาดับความถึงได้จิตต้องวางเฉยได้หยุดความอยากได้ถ้าเดินปัญญาดล้ไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาละละตัดาได้ต้องเป็นกําลังของสมาธิเป็นผู้สนับสนุนการร่วมอนุโมทนาบุญกับคนอื่นหรือเช่นอนุโมทนาบุญยอดกฐินที่วัดเราจะได้บุญไปด้วยจริงๆริงไหมครับ ก็ต้องเอา น, นื้มุทนามันต้องมีการกระทำไม่ใช่เฉยๆ mm hmm. เขาพูดเฉยๆว่าขออนุ่มมุทนามันก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าขออนุมมุทนาแล้วก็เอาเงินจซอบไว้ให้เขาเนี้ยก็จะได้บุญครับหิวดื่มน้ำแทนเดินจงกรมต่อก็หิวอีกมีอาการเวียนศรีรษะจะขอคำแนะ น, นำจากพระอาจารย์ครับ ก็ต้องกินนั่งหละเมื่อถึงเวลากินก็กินแต่อย่าไปกินตอนที่มันมยังไม่ถึงเวลาทั้งนั้นเองเช่นถ้าเป็นพกักกรฉับมือเดียวเนี่ยฉันให้เต็มที่เลยพอเต็มที่แล้วร่างกายก็จะไม่หิวถ้าหิวมันก็ไม่ใช่หิวจากการหิวของร่างกายมันหิวของจิตใจเราก็ใช้สติคอยหยุดความคิดถึงอาหารพอเราหยุดคิดถึงอาหารความหิวก็จะหายไป ถ้าจะต้องอยู่กับคนพาลที่คอยหาเรื่องกันแกล้งทําให้เอาเปรียบต้องทําอย่างไรครับก็ให้ เ, เอาเปรียบไปเลยก็ปล่อยเกาไปปล่อยก็ทําตามที้ก็ต้องการเราหลบได้ก็หลบป้องกันได้ก็ป้องกันไปถ้าป้องกันไม่ได้ก็ยอมรั บ, บก็เป็นกรรมของเราไปที่เราต้องอยู่กับเขาอยู่แล้วก็อยู่แบบมีความเมตตากับเขาให้อภัยเขาให้เขาเปลี่ยนเรียนเนาะ การฟังบทสดมนไปด้วยเดินไปด้วยมีสติอยู่กับการก้าวเท้าหรือควรมีสติอยู่กับการฟังแนละ้วท่องตามในใจแบบไหนเป็นการเจริญสติที่ดีกว่าครับก็คนที่อยู่ ก, การก้าวเท้าอย่างเดียวมันจะดีกว่าเพราะร่างกายเดินแล้วก็อยู่กับการเดินของร่างกายไปไม่ไม้มองไปสวดมนี่การทำบุญมีแบ่งเลเวลไหมครับว่าทำอะไรถึงได้บุญมากกว่าครับ อ่าไม่ไม่ใช่เราทาอะไรนะอยู่ที่ทํามากก็ทําน้อยอยที่เสียสละมากก็เสียสละน้อยเสียสละมากก็ได้บุญมากเสียสละน้อยก็ได้บุญน้อยเหมือนกินข้าวไม่ยอมไม่ไม่ได้เลือกอาหารชนิดที่เรากินน้อยกินอาหารชนิดนี้ใจหยิบอาหารชนิดนั้นใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าเรากินมากก็กินน้อยการภาวนาในท่านอนจนหลับไปได้ไหมครับ ก็ได้หลับเ ไ, ไม่ได้สมาธิถ้าเราหมั่นจเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันถือศีลแปดทุกวันพระและไปวัดถือศีลแปดปฏิบัติธรรมที่วัดปีละเจ็ดวันถ้าทำแบบนี้ต่อเนื่องถ้าตอนแก่เราจะมีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมขาดสติจําอะไรไม่ได้หรือเปล่าครับเจ็ดวันมันต่อปีมันก็น้อยไปหน่อยนะถ้าทำนักสาม้อยกสิห้าวันต่อปีนง่านนจะดีกว่า ถ้าถ้าอยากจะให้มั่นใจว่าไม่เป็นเอาทายมากก็ต้องปฏิบัติทุกวันถ้าปฏิบัติธรรมสวดมนต์และภาวนาทุกวันแต่ยังแต่งตัวแต่งหน้าจะทาไปด้วยกันเราจะก้าวหน้าทางธรรมได้ไหมครับก็ยังติดอยู่ตรงนี้ใน ท, ที่การแต่งหน้าแต่งตัวครถาสุดท้ายครับอาจารย์ครับพระโสดาบันยังมีความอยากในการสันดการตกแต่งร่างกายไหมครับ ยังมีอยู่เพราะสนามันยังรักสวยรัก ง, งามของร่างกายอยู่แต่ว่าท่านไม่ไม่ไม่ห่วงไม่กลัวเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแต่ท่านก็ยังอยากจะมีท่านยังมีการมาลงอยู่ท่านยังชอบเสกของสวยสวยงามอยู่ยังอยากมีแฟนอยู่เราเป็นพระอนาถมีท่านั ถ, านถึงจะไม่มีความสนใจในเรื่องของความสวยงามของร่างกายต่อไปไม่ว่าจะเป็นของของของของตนเองแล้วของผู้ พ่ า, า ง, งกายว่ามันเป็นจากสุภาพเห็นภายในเห็นาวัยว่าต่างๆยังฉีดบททอกได้นะครับอาจารย์ก็ยังได้แต่าบางทีท่านก็ไม่ฉีดเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นนร่างกายมันเป็นดังนี้นจัง <S <S เห็นไหมครับท่านยอมรับความความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มักจะไม่ทำกับพระสาดามาแต่ท่านยังชอบชอบคนที่สวยงามอยู่ ชอบคนรออยู่ถ้าเป็นผู้หญงเองคนหร อ, อๆก็อยากจะได้เขามาเป็นแฟนอยู่ครับแต่ตัวเองจะไม่สนใจแต่จะต้องทําเพื่อเที่จะได้เป็นจุดอยาให้โดนคนหนึให้โดนคนหนึ่งมาชอบเราอาจจะต้องทํามากก็ได้ครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟซ753ในยู642ในขับ6ติ๊กต๊อก527 มีเพื่อนๆฟังทำอยู่ด้วยกัน 1,928 คนนะครับมีพระอาจาร์ตอบคำถามไป106คำถามครับก็ขอแสดงความยินดี<ม>ชื่นชมกับทุกท่านที่มาให้ความ ส, สนใจในการสนทนาธรรมในคืนนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์มากไม่มากก็ น, น้อยเพื่อที่จะได้นำไปใช้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีนในใจให้หมดสิ้นไปต่อไป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 ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ